หาไงมาจากที่ไหนจันทบุรีไงจันทบุรีเลยทำคือ <c oughs> ไปคนมาก่าสายตะพุมั่งก็เลยมาขอจะไฟังยู ท, ทูบคืนๆของอาจารยา์ก็ได้ให้กลับมาถาอาจารยา์รรยยมีอะไรไหมมีอะไรอยายกจะถามไหมคถามพอดีผมได้ถามว่าไปลองนั่งสมาธิเราจะใส่ถ้าเราจรันอบุรีไงว่าจะสงบเราต้องที่จะร่าาย เวลานั่งสมาธ่นี่ต้องการความสงบอย่างเดียวคือก็อยากพิจารณายังาราก็ตอนนี้ได้ก็พิจารณาได้เลยตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิออตอนสมาธินี่ไม่ต้องการพิจารณาต้องการให้สงบเหมนเวลานอนหลับไม่ต้องการทางานเวลาทางานนี่ก็ไม่ต้องการนอนมันต้องแยกแบ่งเวลาให้ถูก เวลานั่งสมาธิเหมือนต้องการพักจิตใจเวลานั่งสมาธิต้องการความสงบอย่างเดียวให้มันนิ่งให้มันเฉยให้มันมีกำลังแล้วพอออกจากสมาธิมาก็พิจารณานั่งกายได้อตอนนี้ก็พิจารณาได้เพียงแต่ว่ามันไม่พิจารณาเพราะมันไม่มีกำลังคื อ, คอนัอนให้มีกำลังก่อนอถ้าถ้ามีกำลังก็พิจารณาได้เลยไม่ต้องนั่งก็ได้ อตอนนี้พิจารณาก็พิจารณาไปเรื่อยๆว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะว่าเราก็อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่มันไม่ได้เป็นของเรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันต้องจากเราไปให้พิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆเพื่อให้ไม่หลงไม่ลืมเพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายไม่ให้ยึด ติดกับร่างกายให้รู้อยู่ทุกเวลาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสัากวันหนึ่งจะต้องจากเราไปถ้าเราไม่อยากให้มันจากเราก็จะทุกตอนนี้เราคิดถึงความตายเราทุกข์หรไม่ถ้าทุกข์ก็แสดงว่าเรายังไม่เห็นว่ามันเป็นอ น, นิจจังไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงถ้าเห็นว่ามันเที่ยงก็จะไม่ทุกข์ แต่เห็นว่ามันไม่เที่ยงก็จะไม่ทุกเพราะว่ามันจะต้องมันต้องตายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่พิจารณาเราก็จะลืมแล้วเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆตอนนี้เราคิดว่าเราจะไม่ตายกันใช่ไหมมีใครคิดบ้งางว่าจะตายกันหรือเปล่านี่ ตายไหมถามจริงๆอ่ะร่างกายตาเรายอมรับมันหรือเปล่าถ้ายอมรับเราก็จะไม่ทุกขกับมันเพราะเราไม่ได้เป็นมันร่างกายคนอื่นเขาตายเราทุกขกับเขาป่ะเพราะเรารับว่าเรายอมรับว่า<ๆ>ไม่ได้เป็นของเราใช่ร่างกายของคนนี้คุณไม่รู้จักคนนี้เขาตายไปนคนจะทุกขกับเขาไหมเพราะคุณรู้ว่าเขาต้องตายใช่ไหม คุณรู้ว่าไม่ใช่เป็นของคุณนะแล้วทําไมร่างกายของคุณนี่ทําไมคุณไม่ยอมให้มันตายมันก็เหมือนกันเพราะคุณไม่มองว่าเป็นของคุณนะคุณไม่มองว่ามันต้องเที่ยงนะต้องไม่ตายขนาใไปโรงพยาบาลหมอบอกจะตายยังไม่ยอมอยังไม่ยอมอยังไม่ยอมหมอเลยถามหมองมีวิธีทําให้มันไม่ตายไหม ต้องพิจารณาจนก้ะทั่งใจเรายอมยอมรับความจริงของร่างกายและร่างกายนี้ยังไงยังไงก็ต้องแก่ยังไงยังไงก็ต้องเจ็บยังไงยังไงก็ต้องตายเรารับได้หรือเปล่าถ้าเรารับได้เราก็จะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่มีความทุกข์เพราะความทุกข์นี้เกิดจากความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอมันแก่มันเจ็บมันตายก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีต้องพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ใจยอมรับความจริงว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วพิจารณาไม่ใช่เฉพาะร่างกายของเราพิจารณาร่างกายของคนอื่นด้วยเราจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าร่างกายของทุกๆคนไม้เหมือนกันหมด ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันหมดไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องก็ไม่ใช่เป็นของเขาเขามาครอบครองร่างกายนี้ชั่วคราวเวลาร่างกายนี้เกิดขึ้นในท้องแม่เขาก็มามาครอบครองเขาก็คือดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจผู้ที่ เป็นคนใช้ร่างกายเป็นคนที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆวันนี้เรามาที่นี่ได้เราต้องสั่งมันมาใช่ไหมต้องคิดใช่ไหมว่าเดี๋ยววันนี้จะมาที่นี่นพอคิดแล้วก็สั่งให้ออกเดินทางมาถ้าเราไม่คิดจะมาที่นี่มันไม่มาเรากถ้าเราวันนี้คิดจะไปที่อื่นมันก็จะไปที่อื่นคนที่คิดคนที่สั่งนี้ไม่ใช่ร่างกายเป็นเหมือนคนขับรถ รถกับคนขับรถคือคนละคนกันนี่ไหมคนขับก็สั่งให้รถไปไหนมาไหนตามคําสั่งของคนขับแคนขับไม่ได้เป็นรถรถไม่ได้เป็นคนขับอันใดร่างกายก็ไม่ได้เป็นใจผู้สั่งผู้คิดผู้สั่งผู้คิดก็ไม่ได้เป็นร่างกายแต่ผู้สั่งผู้คิดนี่ไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายก็เลย ห่วงร่างกายเพราะอะไรเป็นของเราแล้วเราก็ห่วงแล้วเราก็ห่วงแล้วเราก็เสียใจเวลามันเป็นอะไรไปเนีย่ยเราต้องการพิจารณาให้หายห่วงให้หายห่วงให้หายเสียใจถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นไม่ได้เป็นของเรา เราก็จะไม่ทุกข์เรามองร่างกายของคนอื่นอย่างไรคนจะมองร่างกายของเราอย่างนั้นเพราะมันเป็นเหมือนกันเป็น้นินจังคือไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันถ้าไปยึดไปติดร่างกายของคนอื่นถ้าเราไปยึดไปติดเราก็ไปทุกข์กับเขาอีกเช mm hmm. ่นได้แฟนมาได้ลูกมา mm hmm. ก็ไปยึดติดกับร่างกายของแฟนของลูก mm hmm. ก็ไป ทุ ก, กับร่างกายของแฟนร่างกายของลูกทั้งทังที่ไม่ใช่เป็นของเราทั้งทังที่เราก็เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของเราแต่เราไปเคลมว่าเป็นของเราเราไปยึดไปติดว่าเป็นของเราพออลยเป็นของเราแล้วก็เกิดความอยากให้เป็นไปนานๆไม่ให้จากเราไปพอก็จากไปก็ร้องผมร้องไห้ มือถือเนี่ยซื้อมาใหม่ๆเป็นของเราเน่เดี๋ยวกิดไปวางลืมไว้หายทีไหนเนี่ยโอ้เสียใจแนละ้วเสียดายเพราะไม่อยากให้มันหายได้มาแล้วอยากให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่วันไหนเราเบื่อมนันนี่เราโยนทิ้งนี่ละ เ, เราไม่เราไม่ถ้าเราอยากให้มันหายแล้วมันหายเราไม่เสียใจอถ้าอยากให้ถ้าไม่อยากจะทุกกับร่างกายก็ต้องอยากให้มันตาย อยากให้มันแก่อยากให้มันเจ็บนะมันจะแก่ให้มันแก่ไปมันจะเจ็บให้มันเจ็บไปมันจะตายให้มันตายไปแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันนี่คือการพิจารณาร่างกายต้องพิจารณาบ่อยๆไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งเดี๋ยวมันก็ลืมมันต้องพิจารณาตลอดเวลาแล้วสังเกตดูว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายนี้ใจทุกข์กับมันหรือเปล่า เวลาไม่สบายเริ่มตกวิตกกังวลหรือเปล่าเอ้ยเป็นอะไรเอ้ยจะตายหรือเปล่าเริ่ไปหาหมอหมอบอเป็นมะเร็งรักษาไม่ได้จะรู้สึกอย่างไรถ้ากลัวหรือทุกข์ก็แสดงว่ายังหวงอยู่ยังยึดยังติดอยู่ยังไม่ปล่อย แสดงว่ากำลังปล่อยไม่มีกำลังกำลังกลังรู้มีอยู่รู้ว่าต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บแต่กำลังที่จะปล่อยมันไม่มีไม่มีก็ต้องมาสร้างกำลังปล่อยกำลังที่จะปล่อยก็คือสมาธินี่เรานั่งสมาธิเราจะปล่อยร่างกายกเรานั่งสมาธิเราจะไม่ไปใช้ร่างกายทำอะไรปล่อยให้มันนั่งเฉย แล้วเราก็แยกออกมันออกจากร่างกายโดยใช้พุทโธแยกพุทโธพุทโธพุทโธแล้วใจก็จะแยกออกจากร่างกายใจก็จะเป็นรวมอยู่กับผู้รู้พอนั่งสมาธิจิตรวมก็ไปอยู่กับผู้รู้ไม่ได้อยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายเวลาออกจากสมาธิมันก็มาหามันก็มาอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกาย ใช่ไฉนั้นถ้าเราอยากจะปล่อยเพราะรากวันหนึ่งเราจะต้องแยกทางกับร่างกายเราก็ต้องทําสมาธิให้ได้ทําใจให้รวมให้ได้พอใจรวมไปอยู่กับผู้รู้แล้วก็แสดงว่าปล่อยร่างกายแล้วไม่ได้อยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายนะคราวนี้อยู่ที่ไหนอยู่อยู่กับตาอยู่กับหูใช่ไหมตาดูหูฟัง ร่างกายสัมผัสรับรู้อะไรต่างๆแต่ถ้าไปรวมอยู่กับผู้รู้แล้วมันก็จะไม่รู้ว่าร่างกายเป็นอะไรตอนนั่งสมาธิถ้าร่างกายตายไปใจก็ไม่ก็ไม่รู้เรื่องไม่สนใจต้องสร้างกำลังปล่อยพอรู้จักปล่อยแล้วเวลามารวมกันออกจากสมาธิมารวมกันก็ใช้ปัญญาคอยแยกคอยเตือนใจ ว่าเรารวมกันชั่วคราวนะเดี๋ยวเราต้องจากกันเราอยู่ด้วยกันชั่วคราวเหมือนคนขับรถขึ้นรถก็บอกว่าเดี๋ยวกูต้องลงจากรถแะนะไม่จะอยู่กับมึงเลยตลอดนะร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถใจก็เป็นเหมือนคนขับคนขับต้องคอยเตือนตัวเองว่าเดี๋ยวเราก็ต้องจากร่างกายนี้ไปนะร่างกายนี้มันต้องไปเรามันอายุยืนกว่ามันนะ ปัญหาของเราอยู่ที่อายุยืนกับยืนกว่าร่างกายถ้าอายุเท่ากับร่างกายก็ไม่มีปัญหาตายแล้วก็สูญตายแล้วก็จบแต่ตายแล้วมันไม่สูญตายแล้วมันใจไปต่อไปหาร่างกายอันใหม่ถ้ายังไม่ปล่อยร่างกายยังอยากใช้ร่างกายอยู่เวลาร่างกาย น, นี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันมาทดแทนก็เลยมีการไปเกิดใหม่ พอไปเกิดใหม่ก็มีการแก่การเจ็บการตายใหม่ก็มีการตายรอบมีความทุกรอบใหม่ถ้าไม่ยึดไม่ติดร่างกายไม่ใช้ร่างกายเหมือนกับถ้าเราไม่ต้องใช้รถยนต์นะเวลารถคันนี้พังไปรถเก่าพังไปเราก็ไม่ไปซื้อคันใหม่พราะเราไม่ใช้รถเราไม่ออกจากบ้านเราอยู่บ้านได้ในบ้านมีของดีทุกอย่างต้องการอะไรก็เดลิมิเตอร์ขึ้นมาได้ ก็ไม่ต้องออกไปนอกบ้านให้เสียเวลาตอนนี้ใจของเรามันยังเนรมิตอะไรไม่ได้มันเลยต้องออกมาทางหาทางร่างกายหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้นี่เท่ากับว่าเราเนรมิตทุกอย่างได้แล้วถ้าเราอยู่มีความสงบแล้วเหมือนกับเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการ เราไม่ต้องใช้ร่างกายหาอะไรมาให้เราแล้วเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายหาความสุขมาให้กับเราเหนือกว่าความสุขที่ไดจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพราะเราทาสมาธิเราจะได้ประโยชน์2องประโยชน์1น่ได้ความสุขได้ความอิ่มความพอ ที่จะทำให้เราไม่ต้องไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราสองทำให้เราแยกออกจากร่างกายได้แล้วพอเรารู้จักวิธีแยกแล้วเวลาถึงเวลาจะต้องแยกทางกันเราก็ทำใจเฉยๆพุโทโธพุโทโธไปปล่อยให้ร่างกายมันหมดลมหายใจไปเราก็จะไม่มีความทุกข์เวลาต้องแยกทางกัน พอเราฝึกมานียการนั่งสมาธินี้เมืนเหมือนกับการหัดตายกันหัดปล่อยวางร่างกายกันเวลานั่งสมาธิเราพุทโธพุทโธไปใจก็ปล่อยร่างกายใจก็กลับเข้าไปสู่ตัวรู้ไปอยู่กับตัวรู้ผู้รู้พออยู่กับผู้รู้แล้วร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนนะเราก็เลยคิดว่าเราจะเป็นอะไรไปกับร่างกายก็เลยไม่อยากให้มันเป็น พอยิ่งไม่อยากให้มันเป็นมันยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะความทุกข์มันเกิดจากความอยากถ้าเราไม่มีความอยากเราจะไม่ทุกข์งนั้นเราต้องทำสองอย่างทำสมาธิเพื่อแยกเพื่อดึงใจให้กลับไปหาผู้รู้ดึงใจออกจากร่างกายแล้วพอออกจากสมาธิมา ก, กลับมาอยู่กับร่างกายก็ใช้ปัญญาคอยเตือนใจอยู่เรื่อยว่า ร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันเดีย๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องปล่อยถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะวิตกกังวลหวาดกลัวต่างๆเราต้องปล่อยถ้าเราปล่อยได้แล้วเราจะไม่ทุกข์วิธีที่จะปล่อยก็ต้องไปหาสนามสอบไปหาดูว่าเราปล่อยใจยจริงหรือเปล่าไปที่ไหนที่มีภัยต่อร่างกาย เดินพระไปอยู่ในป่านี่เพื่อไปปล่อยร่างกายกันไปหาเสือหางูหาสิงสาราสัตต์เวลาได้ยินเสือคํารามนี่ดูสิว่าใจปล่อยไหมถ้าใจนิ่งก็ปล่อยถ้าใจสันก็ยังไม่ปล่อยก็ต้องทําให้มันหายสันก็ต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเวลาใจสันเวลาไปอยู่ใกล้เสือ ยังเสียงเสือคานามนี้ต้องพุโทโธพุโทโธถ้ามันสัน่นถ้ามันไม่สัน่นมันนิ่งก็แสดงว่ามันปล่อยมไม่เดือดร้อนเราต้องไปหาสนามสอบไปหาที่ปล่อยปล่อยด้วยปัญญาปล่อยด้วยสมาธินี่แบบหนึ่งแต่ปล่อยด้วยปัญญานี่เป็นการปล่อยอย่างแท้จริงเพราะว่ามันเจอความตายสองต่อสองวิเชียหน้ากัน เวลาเจอความตายนิจใจมันจะสั่นมันจะกลัวแต่ถ้ามันใช้ปัญญาพิจารณาว่ายัางไงก็ต้องตายแล้ววะคิดเสือว่าวันนี้เป็นวันตายของเราแล้วยอมตายนะพุโทโธพุโทโธไปปงไปพอยอมตายรับมันก็จะหายกลัวส่วนนั่งกายจะตายหรือไม่ก็แล้วแต่บุญกรรมของมันถ้าเสือมันยังไม่กัดก็ยังไม่ตายถ้าเสือกัดก็ตาย แต่ตายก็ไม่เป็นไรเพราะปองได้แล้วไม่กลัวตายแล้วไม่กลับมาเกิดแล้วไม่ต้องกลับมาใช้ร่างกายนี่ยัต้องต้องไปหาที่ปองไปนอนในป่าช้าก็ได้กลัวอะไรที่ไหนก็ไปหามันที่นั่นกลัวงูก็ไปหางูเเดินกังเกิเดนด้วยก็ไปในป่าเลยไม่ต้องใช้ไฟ จเหยียบงูหรือจะเหยียบอะไรอะไรจะกัดก็ปล่อยมันกัดไปดูเสีาใจนิ่งหรือเปล่าใจกลัวหรือไม่กลัวถ่าใจไม่กลัวแล้วสบายไม่กลัวตายแล้วว่ปล่อยร่างกายยอมให้ร่างกายตายอันนี้เป็นการขั้นทดสอบปัญญาว่ารู้จริงหรือไม่จริงปล่อยจริงหรือไม่ปล่อยจริงไม่ใช่อยู่ตรงนี้แล้วบอกผมปล่อยได้แล้วผมเห็นแล้วร่างกายไม่ใช่เป็นของผม เดี๋ยวใครยนงูใส่สักตัวงเลยตอนที่มันอยู่ตรงนี้มันปลอดภัยมันก็พูดได้พิจารณาแล้วเห็นแล้วอ่าไม่เที่ยงต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายเรื่องความเจ็บก็เหมือนกันปล่อยความเจ็บได้หรือเปล่านั่นไปให้มันเจ็บแล้วปล่อยให้มันหายเองนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปทาให้มันหายไม่ต้องไปกลัวมัน มันจะเจ็บกูก็อยู่กับมึงได้กูไม่กลัวก็ใช้วิธีเดียวกันก็ปองว่าร่างกายนี้มันต้องเจ็บมัืก็ต้องตายเมื่อมันเจ็บก็ยอมให้มันเจ็บไปแต่อย่าไปอยากให้มันหายเจ็บพอาหายเจ็บพออยากแล้วมันจะทุกข์มันจะเจ็บมากกว่าความเจ็บของร่างกายความทุกข์ใจนี้มันจะทุกข์มากกว่าความทุกข์ของร่างกาย แต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายเจ็บนี่ใจจะไม่ทุกข์ายก็จะอยู่กับความเจ็บได้อย่างสบายอันนี้ก็รทดสอบได้ไม่ต้องไปอยู่ในป่าในเขาที่ไหนก็นั่งทดสอบได้นั่งสมาธิไปสี่ห้ชั่วโมงดูอย่าไปลุกอย่าไปขยับมันมันเจ็บก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปบอกไปว่าร่างกายนี้สมมติว่าตอนนี้กำลังเป็นไข้เป็นโรค หมอไม่มียามารักษาหมอไม่มียาแก้ปวดที่จะมาทำลายความปวดของร่างกายนี้ได้เราก็ต้องใช้ธรรมโอสถยาวิเศษเรามีอยู่กับตัวเราไม่ใช้กันธรรมโอสถก็คือสมาธิกับปัญญานี้พิจารณาว่ามันตามเจ็บมันก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องของร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูแล้วก็ดูมันไป เราไม่ต้องไปอยากให้มันหายเจ็บไม่ต้องไปกลัวแทนร่างกายร่างกายมันไม่กลัวความเจ็บความเจ็บมันอยู่ที่ร่างกายมันไม่ได้อยู่ที่ใจมันอยู่ที่เนื้อที่หนังที่เอ็นที่กระดูกเนื้อหนังเอ็นกระดูกมันไม่รู้สึกอะไรมันไม่กลัวความเจ็บแต่เราไปกลัวแทนมันทำไมไปอยากให้มันหายทาไมพออยากให้มันหายเราเจ็บขึ้นมาเองเจ็บที่ใจ เจ็บใจนี่เจ็บแรงกว่าเจ็บที่ร่างกายแต่ถ้าเราไม่มีความกลัวไม่มีความอยากให้มันหายไปเราจะไม่เจ็บเราจะดูมันได้อย่างสบายเหมือนเราดูหนังดูหนังผีหรือดูหลังอะไรถ้าเราดูเฉยๆอย่าไปมีอารมณ์กับหนังที่เราดูเราจะไม่รู้สึกอะไรแต่เราดันไป ม, มีอารมณ์กับหนังที่เราดูเห็นอะไรเข้ากรหวาดเสียวแทน บาดเสียแทนคนที่เล่นเวลาคนที่เล่นถูกยิงเราเราเจ็บแทนเ้าเราเป็นคนดูเราไม่ได้เจ็บเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ไปคิดว่าเราเป็นคนเล่นคิดว่าเราเป็นคนแสดงเราเป็นใจเราเป็นคนดูร่างกายแต่เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายเจ็บก็เลยไปเจ็บแทนร่างกาย ตัวตัวที่เจ็บมันไม่เดือดร้อนน่ะหนังมันไม่เดือดร้อนน่ะเนื้อมันไม่เดือดร้อนเอ็นกระดูกมันไม่เดือดร้อนมันไม่รู้สึกมันไม่มีความรู้สึกถ้าเราทําใจปล่อยวางได้เราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บเรารับรองได้เราไม่ต้องกินยาแก้ปวดก็ได้เชื่อไหมเวลาถ้าเรามีเราปล่อยวางความเจ็บได้แล้วไม่ต้องพกยาแก้ปวดเราะมันไม่ปวดแล้วที่มันปวดนปวดที่ใจ แลที่ใจเราก็มียาแก้ปวดอยู่แล้วมีธรรมะโอสถนั่นแหละยาแก้ปวดที่แท้จริงไม่ใช่ทาราเซตามอต้องธรรมะโอสถ ต, ต้องสติต้องสมาธิต้องปัญญาถ้ามีสติสมาธิปัญญาแล้วเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วดใจไม่ปวดไม่ต้องกินยาแก้ปวดกินก็ไม่หายปวดมันไปหายที่ร่างกาย มันเพียงแต่ไประงรับความปวดที่ร่างกายเลยทําให้เรารู้สึกสบายขึ้นเพราะความอยากก็พักตัวไปพอร่างกายหายเจ็บความอยากให้มันหายเจ็บมันก็พักตัวไปเดี๋ยวพอมันโผล่ขึ้นมาใหม่ก็ต้องกินยาแก้ปวดใหม่จนอย่างนี้เป็นโรคสําคัญขึ้นมาอีกโรคนึงโรคติดยาแก้ปวดกันอ้าวเดี๋ยวนี้ประเทศที่โดยโดยนี่กลับมาติดยาแก้ปวดกันเพราะเวลาปวดก็ กินยาแก้ปวดพอกินแล้วมันก็ต้องเพิ่มกินไปเรื่อยๆเพราะว่าความกำลังกาลังต้านทานความปวดนี่มันจะน้อยลงไปมันต้องกินเพิ่มขึ้นไปครั้งแรกก็กินเม็ดเดียวพอครั้งที่สองกินเม็ดเดียวไม่รู้ไม่หายแล้วต้องกินสองเม็ดกินมากๆเดี๋ยวร่างกายก็ตายเนี่ยฆ่าตัวตายโดยไม่รู้สึกตัวทั้งๆ ท, ที่จะพยายามรักษาร่างกายกลับไปฆ่ามัน พอไปกินยาแก้ปวดมากเกินไปยาแก้ปวดมันก็มีสารเสพติดเนะี่ยมีเฮโรอีนมีอะไรใส่เข้าไปไอ้พวกนี้มันจะไปกดดันประสาททําให้ไม่รับรู้ความเจ็บของร่างกาย <c oughs> พอมันหมดฤทธิ์ยาก็ต้องกินเพิ่มแล้วต้องกินมากขึ้นพอกินมากๆมันก็ไปทําลายล้วร่างกาย ใย่งนี้คนติดยาเสพติดที่สาราณี่เยอะติดยาแก้ปวดนี่แหล ะ, ะแม่บ้านพ่อบ้านคนอะไรทุกคนนี้มีปัญหาชีวิตนิดหน่อยก็กินยาแก้ปวดกันมันปวดใจใช่ไหมเครียดก็เลยกินยาแก้ปวดก็เหมือนเสพยาเสพติดนี่แหละเหมือนกินเหล้านี่หนีหนีปัญหากันมัน ป, ปัญหาเกิดจากใจอยากให้มันไม่มีปัญหา พอเจอปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ก็อยากยาหนีมันก็เลยหาวิธีหนีด้วยการเสพยาเสพติดกันหนึ่งซูราเสพยาเสพติดถ้าเบาถ้าเบาหน่อยก็ไปช็อปปิ้งกันเวลาเครียดไม่สบายใจก็ไปเดินห้างกันหน่อยไปดูหนังมันหน่อยไปกินหน่อยแล้วมันก็ลืมเรื่องราวที่ทำให้เราเครียดไปชั่วขราว พอกลับมาบ้านกลับมาที่ทางานก็มาเจอเรื่องเดิมเจอเรื่องให้เครียดปัญหามันอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้เรื่องต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราพอมันไม่เป็นไปตามความต้องการของเร า, เ า, า, ก, า, รเราก็เครียดขึ้นมาแทนที่จะแก้ที่ความอยากของเราเรากลับไปแก้ด้วยการหนีมันหนีมันไปเที่ยวสักพักนึง พอห่างไกลไม่เห็นหน้าเห็นตามันก็เลยลืมมันก็สบายใจแต่เดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาเจอกันพอมันเจอกันมันก็เครียดขึ้นมาใหม่วิธีจะแก้ต้องแก้ที่ความอยากของเราเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พ อ, อไม่เป็นก็เครียดขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาว่าเราแก้ได้หรือเปล่าเราทําได้หรือเปล่า ทำได้ก็ทำไปแก้ได้ก็แก้ไปถ้าทำไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ปล่อยไปมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแล้วเราก็จะไม่เครียดแต่เราไม่ยอมให้มันเกิดสิเราอยากจะให้มันไม่เกิดพออะไรจะเกิดขึ้นมาเราก็เครียดแล้วก็ต้องไปหาวิธีแก้เครียดด้วยวิธีต่างๆกินยาแก้ปวดดื่มสุรา เสพยาเสพติดนี่มันวิธีแก้ความเครียดของคนสมัยใหม่ซึ่งยิ่งยิ่งเพิ่มปัญหาขึ้นมาเพราะมันไปติดยาเข้าเองแล้วพอไม่มียาเสพก็ก็เครียดอีกครับเครียดเพราะไม่มียาเสพแล้วเสพมากเกินไปก็ต้องหยุดอยู่ดีถ้าไม่หยุดก็ตายนะก็เครียดอีกวิธีแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นปั ญ, ปญหา ต้นเหตุของปัญหาทั้งปวงก็คือตันหาความอยากของเราภนาะะวะตันหาอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ภาวะตันหาของพวกเราเคย อ, อยากให้เจริญในลาบยศสรรเสิญสุขนพอไม่เจริญก็ทุกข์กันเลยเช่นะปีนี้จะต้องทไไํารายได้ได้แค่นี้ยอดตกลงแค่นี้เพราเศรษฐกิจตกตามมีอุปสรรคมีปัญหาไม่สามารถทํายอดได้ก็เครียดแล้ว นี่เรียกว่าภาวะตานหาส่วนมีภาวะตานหาก็คืออยากจะให้มันเจริญอย่างเดียวไม่อยากให้มันเสือ่อมพอมันเสื่อมก็เครียดอีกเคยมีเงินแค่นี้เดี๋ยวเงินต้องเหลือลรดลงไปก็เครียดแล้วเพรฉั้นต้องตัดไอความอยากเหานี้ออกไปเราต้องยอมรับความจริงว่าของในโลกนี้มันมีขึ้นลงลงาบยศสารเสริญสุขนี่มันมีขึ้นมีลง มนไม่เทีย่ยงเหมือนกับร่างกายมีเจริญก็มีเสือ่อมร่างกายมีเกิดก็มีตายราบยศสรรเสริญก็มีขึ้นเวลาได้มาก็เรียกว่าขึ้นได้ลาบได้ยศใน้สรรเสริญได้ความสุขก็กําลังขาขึ้นพอเวลาไม่ได้มาก็เรียกว่าขาลงเวลาขาลงนี้ไม่ยอมไม่ยอมกัอยากจะให้ขึ้นอย่างเดียว เรอย่าให้ขึ้นอย่างเดียวไม่ยอมให้ลงก็ทุกข์พอทุกข์ก็ไปแก้ปัญหาด้วยการไปไอเที่ยวไปทําอะไรกันไปช้อปปิ้งกันไปเสพยากันไปทําอะไรจิปาถะกร้อยแปดซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะความอยากก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมความเสื่อมของสิ่งต่างๆก็มีอยู่เหมือนเดิมเราต้องยอมรับว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราได้มานี้ มันสักวันหนึ่งก็จะต้องมีการเสื่อมจากเราไปหรือไม่เะ่นั้นเราก็ต้องเสื่อมจากมันไปมันไม่ไปก่อนเราก็ไปก่อนหรือไปพร้อมกันแทกทางกันไปเราไม่มีมันเราก็อยู่ได้เวลาเราเกิดมาเราเอาลาบยศสรรเสริญนางกับเราหรือป่าเราก็เอาแต่ใจมาเปล่าๆแล้วก็มาได้ร่างกายเราได้ร่างกายแล้วก็เอาความอยากมาด้วย ใจหลงคิดว่าจะได้ไปเรื่อยๆก็หามันไปเรื่อยๆพอไปสะดุดเข้าไม่สามารถหาได้ตามที่เคยหาได้ก็เครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นแล้วเวลาต้องเสียก็เครียดทุกข์เพราะไม่ยอมเสียมีแต่อยากได้อย่างเดียวไม่อยากเสียแเราต้องมาแก้ใจเราว่าต่อไปนี้เราอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากไม่เสีย เราต้องพร้อมที่จะเสียได้ก็ให้รู้ไว้ว่าได้มาก็เพื่อที่จะเสียมันไปเพราะเวลาเราตายไปเราก็เอาไปอะไรไปไม่ได้เลยน ะ, ะ, ะที่มาได้กี่ร้อยไร่ก็ตายไปก็ที่ก็ยังอยู่ที่เดิมก็เปลี่ยนเจ้าของไปอยากของเราก็เป็นของคนอื่นไปเงินทองกี่ร้อยล้านก็ของจากเป็นชื่อเราก็กลายเป็นชื่อของคนอื่นไป มันก็อยู่ที่เดิมมันก็อยู่ในบัญชีเดิมในธนาคารเดิมเพียงแต่เปลี่ยนชื่อนั่นเองนายกอไปแล้วก็นายขอก็มาแทนที่สมบัติพัดกันชมอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหวงถ้าฉลาดก็เอามาทําบุญให้หมดจะใด้เป็นของเราทั้งหมดนายขอนายจะได้ไม่มีโอกาสจะได้ใช้เงินของเราเราเงินไปทําบุญให้หมด ทำบุญแล้วมันจะหยุดความอยากได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินเราก็จะไม่สามารถใช้เงินม า, มาดับความเครียดได้เราต้องใช้สมาธิดับความเครียดกันแล้วก็จะทาใจให้สงบได้นี่คือเรื่องของความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเรา ที่เราทุกกับร่างกายเพราะว่าเราอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่เราก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วิธีที่เราจะไม่ทุกข์กับมันก็คือเราต้องปล่อยมันอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราปล่อยมันได้นวเราจะสบายมันจะเก็บมันจะแก่จะเจ็บจะตายมันจะไม่ทำให้เรารู้สึกเดือดร้อนใจ แล้วเราปล่อยได้เราจะรู้เองว่าเดี๋ยวนี้เราไม่เครียดกับเรื่องของร่างกายแล้วร่างกายหนังจะเหี่ยวผมจะงอกหลังจะโกง่งไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บขนาดไหนก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายวันนี้ก็ไม่เหลือดร้อนพร้อมที่จะให้มันตาย เพรหยุดมันไม่ได้ไม่ใช่อยากจะตายหรอกแต่มันรู้ว่ามันหยุดมันไม่ได้แล้วรู้ว่าอยากให้มันไม่ตายมันเป็นทุกข์ก็เลยต้องยอมพอยอมแล้วก็หายทุกข์พอยอมตายปับ๊บีความทุกข์หายไปเลยไปหาหมอหมอบอกปูนเป็นมะเล็งเนี่ยพอพอลรงดวงใจขึ้นมาพอนึกถึงคําสอนของเจ้ามาเกิดมาแล้วต้องตายถ้ายอมตายเราจะไม่ทุกข์พอจําได้แค่นี้แล้วยอมปั๊บหายทุกข์เลย เาไม่เชื่อลองทำดูกลัวมันจะลืมเ่ยพอไปหาหมอหมอบอกจะตายนะลืมหมดเลยคำสอนที่มาเรียนกันมาพิจารณากันร่างกายจะตายตอนนี้รู้ว่าตายกันทุกคนแต่พอไปเจอความตายจริงๆหายลืมไม่หมดเลยมีแต่ความอยากจะให้มันไม่ตายอย่างเดียวมันต้องพิจารณาบ่อยๆจนกระทั่งมันมีกำลังม า, มากกว่าความอยากไม่ตาย พอมันอยากไม่ตายก็บอกแล้วมันแล้วอยากไม่ตายแล้วมันไม่ตายจริงหรือเปล่ามันไม่ตายได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้อยู่ดีมันก็ตายอยู่ดีตายก็ให้มันตายไปพิจารณาดูว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันมาจากพ่อจากแม่ไม่ได้มาจากเราเราไม่ได้เป็นคนสร้างมันขึ้นมาเป็นของขวัญของพ่อของแม่มอบให้กับเรา เหมือนเวลาเราเป็นเด็กๆพ่อแม่ซื้อตุ๊กตาให้เราเล่นนีมันก็เหมือนกันร่างกายนี้ก็เป็นตุ๊กตาที่พ่อแม่ซื้อมาให้เราเล่นแต่มันเหมือนของจริงมากมันเลยทำให้เราคิดว่าเป็นของเราจริงๆเป็นตัวเราจริงๆพอเราใช้มันเป็นคนรับใช้ตลอดเวลาจนกระทั่งเราคิดว่ามันเป็นตัวเราเราอยู่กับมันมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาเลยก็ไม่เคยแยกจากกันเลย ไปไหนก็ไปด้วยกันทําอะไรก็ทําด้วยกันมันก็เลยคิดว่าเป็นคนเดียวกันเนี่เราต้องมาแยกกันด้วยวิธีสมาธิก่อน uh huh. นั่งสมาธิหยุ uh huh. ดใช้ร่างกายชั่วคราวแทนที่จะไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงกันก็ามานั่งสมาธิกัน uh huh. แล้วก็จะได้ความสุขอีกแบบหนึง่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ เพราะต่อไปร่างกายมันมันแก่มันจะรับใช้เราไม่ได้ถ้าเราใช้ร่างกายแล้วพอมันรับใช้เราไม่ได้เราก็จะทุกข์อยากจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ใช้ร่างกายเราใช้ธรรมะของพระเจ้านั่งสมาธิทำใจให้สงบกันเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็มีความสุข มากกว่าการไปใช้ร่างกายไปเที่ยวข้างนอกกันเพอเราไม่ใช้ร่างกายได้เราก็ปล่อยมันได้ปล่อยให้มันตายได้เพราะเราไม่เดือดร้อนแล้วไม่ต้องใช้มันแล้วเหมือนคนใช้ถ้ามันจะลาออกก็ไม่เดือดร้อนแต่เราทําเองได้อนนี้เราทําเองไม่ได้หรือเราขี้เกียจทำํำมันก็เลย แต่วลาคนใช้ออกไปนี่เดือดร้อนขึ้นมาเดือดร้อนก็เราต้องทําเองความจริงแล้วทำเองก็ก็ทําได้แต่ไม่ยอมทำํำพอไม่อยากไม่ยอมทําพอต้องทำมันก็เลยเดือดร้อนแต่ถ้าเคยทําอยู่เป็นประจํามันไม่เดือดร้อน อ, อย่างผ้ามาบวชนี่พระเจ้าไม่สอนให้ไม่มีคนใช้หรอกให้ทำเองทุกอย่างพอทําเองทุกอย่างก็ไม่เดือดร้อนเวลาคนที่ คนใช้จะไม่มาทำให้ก็ไม่เดือดร้อนฝ่ายบ้านเองถูบ้านเองซักผ้าเองพ้านี่ทำเองทุกอย่างรู้ปะไม่มีคนใช้หรอกนอกจากถ้าเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหา mm. ก็จะมารับใช้ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ตอนเริ่มต้นนี้ทุกคนเหมือนกันหมด mm. บวชใหม่เป็นพระบวชใหมน่นี่ต้องทำเองทุกอย่างไม่มีคนรับใช้ แต่คนสมัยใหม่นี่เวลาบวชจ้าคนไทยมาด้วยคนที่เป็นทหารมียศดยีตารวจมียศนี่จะเอาฐานติดตามมาด้วยนี่ลุงนายพลเครไปขอบวชที่วัดหลวงตาแล้วก็ขอจะเอาตำรวจรับใช้มารับใช้ด้วยหลวงตาบอกเอามาทำไมมันบวช ด, ด้วยเล้วมันจะมาบวชไม่มันจะมารับใช้ลูกผม มันนำรับใช้ทำไมมาบวชก็เพื่อมหาหัดใช้มันรับใช้ตัวเอง <Okay. S 1> ถึงให้มาบวชไ <Okay. S 1> ม่ให้พึ่งคนอื่น <Okay. S 1> อัตตาหิอัตนาโณนาโถหลวงตาอะไรก็บอกเอาเลือกเอาถ้าจะเอาตำรวจมาก็ลูกมันต้องมาถ้าลูกมาก็ไม่ต้องตำรวจรับใช้มา <Okay. S 1> เอาเลือกเอา <Okay. S 1> แต่จะมาทั้งสองคนไม่ได้ เ, เขาก็เลยเอ่ะยอมเอาลูกมาบวชลูกอะไรต้องมาซักผ้าเองมา หาดถูกุฏิเองล้างซ่วงเองหัดทำให้เป็นให้ตนเป็นที่พึ่งของตนจะได้ไม่ต้องไปทุกข์เวลาไม่มีที่พึ่งเดี๋ยวเกิดตารวจไ ม, ไม่สบายคนรับใช้ไม่สบายก็ต้องทำเองอยู่ดีหรือว่าเกิดมาขอลาออกไม่พอใจชอบไปด่ามันเรื่อยไปว่ามันเรื่อยงั้นอย่าไปพึ่งอะไร พึ่งตนเองใจนี่อย่าไปพึ่งร่างกายให้พึ่งตนเองพึ่งด้วยธรรมถ้ามีธรรมแล้วมีที่พึ่งถ้ามีสมาธิมีปัญญาแล้วจะไม่ต้องพึ่งร่างกายพอไม่ต้องพึ่งร่างกายก็ไม่ต้องทุกกับร่างกายร่างกายจะเจ็บจะแก่จะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วดีซะอีกไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนมีคนใช้ก็ต้องหาเงินเดือนมาให้มัน มีร่างกายก็ต้องหาข้าวให้มันกินหาน้าให้มันดื่มหาเสื้อผ้าให้มันใส่แล้วต้องอาบหน้าอาบท่ายมันสระผมให้มันหวีผมให้มันนี่ทำให้คนใช้ตลอดเวลาแต่เราหลงคิดว่าเราทำให้ตัวเราก็เลยยินดีทำเนี่ยความหลงมันหลอกให้เราคิดว่าเราทำให้ตัวเราเวาจริงทำให้คนใช้โอ้คนใช้นี่ดูแลมันดียี่กว่าดูแลตัวเราเองใจเราไม่ค่อยดูแลกันเลยดูแลแต่คนใช้ ซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆให้มันใส่ซื้อเครื่องสำอางราคาแพงๆให้มันใช้เอซื้อของแพงๆให้มันใช้แต่ตัวใจนี่หิวโหยไม่มีอะไรกินเลยเครื่องใช้ไม่ใส่ของใจนี่ไม่หาให้ใจเลยเครื่องใช้ไม่ใส่ของใจก็คือทําทานทับบุญกุศลนี่ไม่ไม่ให้เลยใจก็เลยหิวโหยเลยเวลาตายไปเลยกลายเป็นเปรตไปเนี่ยพวกที่ไม่ทําบุญเนี่ย เวลาตายไปก็เป็นเปรตเพราะไม่มีไม่มีบุญติดตัวไปเปรตก็คือขอทานเข้าใจ ไ, ไหมพวกที่ไม่มีบุญนี้เราเรียกว่าขอทานต้องมารอรับทานจากพวกเราใช่ไหมเวลาที่เราทําบุญที่เรากรวดน้าไม่ใครก็กรวดให้ขอทานเนะ่ยไม่ได้กวดให้ใครหรอไม่ได้กรวดให้เทวดาหรอกเทวดาก็เป็นเศรษฐีบุญก็ไม่ต้องมารอรับบุญที่เรากรวดไปหรอกบุญที่เรากรวดไปเหมือนเงินที่เราให้ขอทานเงินนิดเดียว เทวดาเขามีเป็นเศรษฐีบุญก็มีบุญเยอะๆยะเาไม่มารอรับเงิงนที่ให้ขอทานหรอกพวกที่ทําบุญเยอะๆตายไปไปเป็นเศรษฐีแล้วนะไปอยู่สวรรค์นี่เป็นพวกเศรษฐีบุญเท่าเนี่ยก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญพวกที่ไม่ได้ทําบุญเนี่ยพวกที่คอยแต่เลี้ยงร่างกายดูแลร่างกายอย่างดีหาอาหารดีๆให้ร่างกายกินหาเสื้อผ้าดีๆของแพงๆให้ร่างกายใช้แต่ใจไม่เคยหาอะไรให้ ไม่เคยทําบุญให้กับใจเลยบุญไม่ยอมทําเลยมีเงินเท่าไหร่ทุ่มให้กับร่างกายไปหมด <c oughs> ก็เลยทําให้ทําให้ใจนี้ไม่มีบุญติดตัวไปไม่มีทรัพย์ติดตัวไปบุญนี่คือทรัพย์ภายในเออไปก็เลยต้องไปเป็นขอทานมารอรับส่วนบุญ ของพวกเราที่ทําบุญแล้วก็อุทิศไปพวกที่มีญาติพี่น้องที่ไม่ชอบทําบุญก็สวยไปว่าไม่มีใครส่งบุญมาให้เพราะเขาไม่เชื่อเรื่องบุญกันเขาเชื่อเรื่องเงินเขาเชื่อว่าการใช้เงินเพื่อซื้อความสุขให้กับร่างกายนี้เป็นเป็นการหาความสุขที่แท้จริงแล้วเขาเชื่อว่าตายไปก็สูญแล้วเรื่องอะไรจะต้องไปทําบุญให้เสียเวลา ทำบุแล้วก็ตายร่างกายตายไปก็จบแต่ก็ไม่เห็นใจตัวที่ไม่ตายไปกับร่างกายตัวที่จะต้องไปเป็นเศรษฐีหรือไปเป็นขอทานนี่เขามองไม่เห็นคือตัวเขาเองเขามองไม่เห็นตัวคิดตัวรู้นี่ไม่ใช่ร่างกายตัวนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายตายไปตัวนี้ก็ต้องไปเดินทางไปหาร่างกายอันใหม่ระหว่างเดินทางก็ ถ้ามีเงินติดตัวไปก็ไปเที่ยวก่อนก็ได้เป็นเศรษฐีไม่ไม่มีเงินก็ต้องขอทานไปเรื่อยๆไม่มีไม่มีข้าวกินบุญก็เนเหมือนอาหารของจิตใจพอไม่มีก็เลยต้องแวะตามวัดรอให้เขาอุทิศบุญให้ถ้าเ้าไม่อุทิศให้ก็รับไม่ได้อ้าวก็เหมือนกับเขียนเช็คคุณเขียนเช็คชื่อของใครมันก็เป็นของคนที่ คนเขียนเช็คไปเวลาคุณอุทิศบุญคุณก็อุทิศให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องใช่ไหมคนที่ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องก็เอาไม่ได้เพราะเราไม่ได้อุทิศให้เขานอกจากเราเขียนว่าแล้วจะ ใ, ให้สับประสัตรตัวไหนก็ได้ใครไม่มีใครมาถึงก่อนก็เอาไปเลย เ, เหมือนขอทานคนไหนมาก่อนก็เอาไปแต่ถ้าขอทานมีชื่อนี้ชื่อนี้ขอทานที่ไม่มีชื่อนั้นชื่อนี้ก็เอาไปไม่ได้ เราต้องรอให้ขอทานที่มีชื่อนั้นที่นี้มาเอาไปในเรื่องของบุญเรื่องของการดูแลใจของเราเรากลับไม่ดูแลกันเรากลับไปเลี้ยงดูร่างกายที่ไม่ใช่เป็นตัวเรากันอย่างมากมายเพราะเราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราเงินทองที่เราใช้ให้กับร่างกายกับเงินทองที่เราใช้ให้กับใจนี้อันไหนจะมากกว่ากัน เงินทองที่เราใช้ให้กับร่างกายนี้กับเงินทองที่เราไปทำบุญนี้อันไหนมากกว่ากันระวังเวลาตายไปมันจะ ม, นมันจะไปเป็นขอทานเลยเราต้องใช้เงินให้กับจิตใจมากกว่าใช้ให้กับร่างกายร่างกายให้มันอยู่แบบถูกๆ ก, ก็พอซื้อเสื้อผ้าชุวละร้อยสองร้อยก็อยู่ได้แล้วเอาเงินห้าหมืนแสนึงไปทาบุญดีกว่า เแล้วขณะอยู่ก็มีความสุขจริงๆคนที่ทำบุญเนี่ยมีความสุขกับคนที่ใช้เงินไปเที่ยวหาความสุขเง<า>ิ น, <ส>นงที่ใช้เงินก้อนเดียวกันเนี่ยผลที่ได้รับจากการใช้นี่ต่างกันถ้าเงินแสนนี่ไปทำบุญกับเงินแสนไปเที่ยวเนี่ยต่างกันเชื่อไหมไปเที่ยวกลับมาแล้วก็หมดแล้ะความสุขสนานเฮฮาหายไปหมดลว พอมาอยู่บ้านก็นเหงาเหมือนเดิมแต่ถ้าเอาเงินไปทําบุญแสนนึงกลับมาบ้านอิม่มเอิบอิ่มใจสุขใจไม่อยากจะไปไหน <S <S 1> <S 1> คิดถึงเวลาที่เราเงินที่เราทําบุญนิทรรศก็ยังอิม่มเอิบอิอ่มใจอยู่แต่คิดถึงเงินที่เราใช้ไปเที่ยวมันหมดแล้วอยากจะเที่ยวก็ไม่มีเที่ยวแล้วแล้วก็อยากเที่ยวอยีกก็อยู่บ้านไม่เป็นสุขเนี่ยประโยชน์จากการทําบุญมันทําให้เราหยุด หยุดความอยากที่จะไปเที่ยวได้แล้วทำให้เราอยู่บ้านเป็นสุขได้แล้วทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจแล้วยังมีบุญติดตัวไปด้วย เ, เวลาตายไปก็ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ดีกว่าท่องเที่ยวในโลกนี้ท่องเที่ยวในโลกทริปนี่ดีกว่าคุณเวลานอนหลับฝันดีเนี่ยหมว่ามันสนุกกว่าไปเที่ยวด้วยตวด้วยร่างกาย เาการเที่ยวในโลกทิพย์นี่เราเห็นอะไรวิจิตรพิสดารกว่าสิ่งที่เราเห็นในโลกนี้ฉะนั้นเอาเงินมาทําบุญดีกว่าอย่าเอาเงินไปเที่ยวเที่ยวแล้วเดี๋ยวเวลาตายไปไม่มีบุญติดตัวไปต้องไปเป็นขอทานแต่ถ้าเอาเงินมาทําบุญนี่เวลามีชีวิตอยู่ก็มีความสุขอยู่บ้านสบายไม่ต้องไป เที่ยวที่นู่นที่นี่แล้วเวลาตายไปก็ได้ไปเที่ยวในสวรรค์นี่คือเรื่องการดูแลรักษาใจที่พวกเราไม่ค่อยให้ความสนใจมแต่ดูแลเรื่องของร่างกายแล้วพอร่างกายเป็นอะไรก็พ้นพิษใจเราเองพอมันเที่ยวไม่ได้ก็ทุกข์ละพอมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ลเวลามันแก่ก็ทุกข์ลเวลายตายก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ นี่คือการผลที่เกิดจากการดูแลร่างกายถ้าเราดูแลจิตใจเวลาร่างกายตายไปมันพุนพิษใสเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปสนใจมันเราไม่ได้ไปเราไม่ต้องไปอาศัยมันละพ อ, อมันแกม่มันทำอะไรไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนมันเจ็บก็มไม่เดือดร้อนมันตายก็ไม่เดือดร้อนพอละใจเรามีมีที่พึ่งมีความสุขมีบุญ บุญมีหลายระดับบุญที่เกิดจากการทำบุญให้ทานแล้วบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาทำใจให้สงบยิ่งทำบุญที่สูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งได้บุญมากขึ้นเท่านั้นบุญที่จากการได้ทานสู้จากบุญที่จากการรักษาศีลไม่ได้บุญที่ได้รับจากการรักษาศีลนี่สู้บุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิทาใจให้สงบไม่ได้ บุญที่ได้จากการนั่งสมาธิทาใจให้สงบสู้บุญที่เกิดจากการปัญญาเกิดจากปัญญาไม่ได้ปัญญาปล่อยวางร่างกายได้โอ้จะสบายจะหายห่วงจะหายทุกข์เลยร่างกายจะเป็นอะไรไม่เดือดร้อนนี่คือเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนให้พวกเราหาความสุข แบบวิธีที่ถูกต้องความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาตอนนี้พวกเราหาความสุขแบบมีความทุกข์ตามมาเพราะเป็นความสุขที่ต้องเสื่อมพอเสื่อมมันก็ทําให้เราทุกข์เวลาแพนตายจากเราไปก็ทุกข์เวลาเงินทองหมดเนื้อหมดตัวก็ทุกข์อย่าอย่าไปหาความสุขแบบนี้ให้มาหาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมา ก็ความสุขที่เกิดจากการทําบุญทําทานความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลเพราะของพวกนี้มันจะไม่จากเราไปเรารักษาศีลได้มันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเราทําบุญได้มันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเราทําใจให้สงบได้มันก็จะอยู่กับเราไปได้เรื่อยเราทําใจให้ฉลาดให้ปล่อยวางทุกอย่างได้เรามันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆแล้วเราจะสุขไปตลอดเนี่ยพระพุทธเจ้าสุข ตลอดนิ่บานังปามังสุขขังคําว่าบรมมัสุขก็คือความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาสุขไปตลอดตลอดอ น, นันตการคือไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยความสุขของพุทธเจา้าพระอรหันต์นี่ท่านไม่ต้องเติมเหมือนพวกเราความสุขของพวกเรานี้ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆพอเวลาไม่ได้เติม เติไม่ได้ก็ทุกกันงั้นเลิกหาความสุขแบบนี้ดีกว่ามาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องเติมถ้ามีรถที่เขาขายว่าเติมน้ำมันหนึเดียวแล้วไม่ต้องเติมนี่จะซื้อกนะันไหก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้แล้วรถที่ไม่ใช้น้ำมันนะรถไฟฟ้านะต่อไปก็ไม่ต้องเติมน้ำมันนะแต่ก็ยังต้องเติมไฟฟ้าอยู่ถ้ามีรถแบบที่ซื้อมาแล้วไม่ต้องเติมอะไรเลยนี่น่าจะดีนะ แต่ไม่มีหรอกของอะไรในโลกนี้มันทุกอย่างมันจะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเพราะของทุกอย่างมันชั่วข่าวอันนี้จังของทุกอย่างในโลกนี้เป็นอันนี้จังเพราะเมื่อมันเป็นอันนี้จังมันก็เลยทำให้มึงทุกข์กันเพราะต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆเวลาหาเติมไม่ได้ก็ทุกข์ยันเลิกหาหาของที่ต้องคอยเติมเนี่ยมาหาของที่เติมคนเดียวแล้ว เ, เต็มเลยแล้วก็ไม่ตเติม เป็นปรมังสุขรั้งเลยก็ต้องหาจากการทําบุญทําทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาเนี่นี่คือเรื่องของคําสอนของพระเจ้าที่พวกท่านทั้งหลายมาฟังกันฟังแล้วก็ขอให้นําเอาไปปฏิบัติถ้าฟังอย่างเดียวไม่เอาไปปฏิบัติก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าไม่ฟังเอาไปปฏิบัติก็เดี๋ยวปฏิบัติไม่ถูกก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกัน ดังนั้นต้องฟังฟังแล้วต้องปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่พวกเราจะควรจะเพียรพยายามกันเพราะมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเราอย่างจริงๆและไม่มีโทษกับเราเลยแต่สิ่งที่พวกเรากําลังทํากันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นประโยชน์ปลอมเป็นประโยชน์ชั่วคราวแล้วพอสูญเสียประโยชน์เหล่านั้นไปก็เกิดความทุกข์ตามมา อย่าไปทำแบบที่เราทำกันอยู่นี่เลยบางเปลี่ยนวิธีทากันดีกว่าทาแบบที่พระเจ้าส่งสอนให้ทำอาร ท, ที่จะเอาเงินไปเที่ยวเอามาทำบุญดีกว่ากาที่จะเอาเงินไปใช้ตามความอยากเอามาทำบุญกทนที่จะไม่รักษาศีลมารักษาศีลกันดีกว่านที่จะไม่นั่งสมาธิมานั่งสมาธิกันกานที่จะไม่ใช้ปัญญามาใช้ปัญญากันแล้รับรองได้ว่าเราจะมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวไม่มีโทษตามมา การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็จะขออนุโมทนาให้พรมีช่วงต่อไปนะช่วงต่อไปก็มีการถามตอบปัญหาที่ทางบ้านที่กำลังติดตามรายการถ่ายทอดสดอยู่นี้จะส่งคำถามเข้ามาหรือที่นี่ใครอยากจะถามก็ถามได้ถ้าอยากจะกลับก็กลับได้นะอ่อ จบไปรอบนึงนะรอบที่หนึ่งรอบที่สองใครอยากจะตีตั๋วรอบที่สองก็อยู่ต่อการไม่ได้ตีตั๋วก็ไปเวลาฟังธรรมก็ตั้งใจฟังอย่าไปพูดโทรถ้าถ้าไปพูดโทรกับฟังธรรมมันชนกันต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะนั่งสมาธิไม่ต้องการฟังธรรมก็ปิดธรรม่ะ ถ้าต้องการฟังทมก็หยุดพุทโทรไว้ก่อนอฟังไว้ตั้งใจฟังแบบวันนี้จะได้ปัญญาจะได้ความรู้ความเข้าใจถ้าฟังแล้วไม่ไม่ฟังมัวแต่พุทโทรมันก็ไม่ต้องไปฟังทำใม้เสียเวลาพระอาจารย์ครับรายงานครับวันนี้ใช้โทรศัพท์มือถือ p h o n น 6S Plus ในการถ่ายทอดสดครับโดยครอบครัวเจษ ด, ดาสกุล เป็นผู้ถวายครับซึ่งผลที่ได้รับคือภาพสว่างขึ้นมากครับผู้ชมบางบ้าสว่างขึ้นของเอสนี้ดีกว่าเนี่ยครับดีแต่เครื่องเดิมก็ยังใช้งานเหมือเดิมครับได้ใช้สำหรับ่าอสำรองได้ใช่ครับยังใช้งานทำสารคดีหรือถ่ายวิดีโอบัตรได้อยู่ครับแต่เครื่องนี้ชัดสว่างขึ้นมากครับปราเสียงก็ดีโปเจกต์สรางสมูณครับก็ขออนุโมทนาผู้ที่เมตตาเอื้อเฟื้อต่อ ตอพวกเราที่ให้มีการถ่ายทอดสดขอให้บุญนี้ถ้าไม่มีหูตาสว่างมีดวงตาเห็นทํกัน่ากดูะัง่น่อนก็ให้คนที่ดูทางบ้านเช็คให้บอกว่าสว่า ง, ง, าางเยอะเลยครับสียงก็ดีมันปรับภาพได้นะปรับแสงได้นะมันปรับพอโ ต, โตครับปรับพอโตเลยกืดีวันนี้มันสว่างด้วยมั้ง ทุกวันที่พามาจะมืดกว่านี้ครับว่านะเดี๋ยวตอนนี้ก็ทางบ้านที่ใครอยากจะถามปัญหาก็ส่งปัญหาก็ามาได้น ะ, ะก็ทางนี้เขาก็ไม่มีใครถามอะไรถ้าอยากจะถวายอะไรก็เข้ามาเปิดทางให้เขาเข้ามาหน่อย เดี๋ยวเจ็ดเครื่องเจ็ดออกมาก็ต้องเปลี่ยนีกแลเนียไม่เปลี่ยน้ว่เปลี่ยนรัถ้ามันดีกว่าก็ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเครื่องหมายเป็น HD นะเป็นจอกว้างด้วยตอนนี้ยังจอสี่เหลี่ยมอยู่ต่กไปจะเป็นจอกว้างก็ได้เขาเขาตั้งมาอย่างนั้น ก็ต้องแบ่งครึ่งนึงไว้สำหรับดูข้อความแต่ผมคิดว่านายกเขาคงทำออกมาเป็นนักขีแน่แล้วไปลองแพนให้ญาติโยมดูทางบ้านหน่อยว่ามีใครมาบ้างไม่อยากออกทีวีเลยเดี๋ยวเจ้านายรู้ว่านี่หนีงานมาที่นี่ไอหนีงานนั่งหลบหน้าหน่อยนะ มีผู้ชมก็ประมาณสี่ร้อยกว่าคนท <400 S 2> <ม>ี่ร้อยนะมันธรรมดาจะเยอะกว่าเสาร์อาทิตย์เพราะเสาร์อาทิตย์ก็มาที่นี่กันส่วนหนึ่งเมื่อวานนี่มันขัดขาดเมือ่อวานนี้เป็นปัญหาอะไรเสียงเครื่องแรกเรื่องของเรื่องครับอาจารย์คือเป็นบทเรียนอีกอย่างครับคือว่าผมเปิดกดถ่เท่าสดก่อนแล้วค่อยมาเปิดเสียงตามเครื่องมันเลยจําว่าให้ใช้กับลำโพนอันแร ก, แ, รกแล้วก็พอกดอีกครั้งก็ยังไม่หายสรุปว่าต้อ ง, องมีโ<ม>ปรแกรมเลยแล้วเข้าไม่ต้องหาดิแทสอาจารแค่ ถ้าปิดโปรแกรมไปแล้วเข้าใหม่ออ้วาันก็มาแล้วครับผมก็หาไว้จะได้เป็นบทเรียนไว้จะได้ออบอกน้องๆไว้ว่าเ อ, อคนทั้งมากเขาก็คิดว่าเรื่องมีปัญหาที่ไมโครโฟนใช่ครับไม่ไม่ครับไม่ถ้าไม่มีเสียงก็ต้องรีบเ อ, อปิด facebook แล้วเปิดใหม่ขึ้นมาใช่ครับเพราะมันจําค่าเก่าจําค่าตั้งแต่แรกว่าให้ใช้ไมโครโฟนครับอาจารยเชิญถ้าอยากจะถวายอะไรก็เชิญได้ ถ่ายรูปหน่อยต้องบันทึกไว้เดี๋ยวเทวดาจำไม่ได้เดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเจ้ากัมนายเวนมองไม่เห็นเลลองอบเจ้าค่ะจะมอเห็นค่ะความพยายามอยู่ที่ไหน กอรพยามอยู่ไหนคำาำไหดีนะมาแล้วมีคาถามไมถามได้ครับก็มาแล้วอย่าายนิ่งจัดตัวอ้วนเปรียวนั่งเขาเียวเลยน้ถวมันก็จะลงขงหมันต้องน่งมันจะลงสองข้าลนแล้วจะกลับเยอะ อันยัยกั่อท่านนั่งท่นั an ่งานนั่งขามงจะไม่เปลี่ยนทานั่งเขาต้องเปลี่ยนเลยแต่เวลาหันนั่งไปเลยมันก็ชินเองไะมันไม่ชินมันลงมันลงทางนี้คนนั่งอย่างเงี้ก็เหมือนกันอ่ะคนอ้วนคนผอมมันก็ลงแบบเดียวกันมันก็ลงเท่ากัน มันลงลงไปแล้วมันมันชาท่านเพิ่งสลับไปทั้นขาอ้ยกับผอมไม่เหมือกันแต่ก่อนมอมนี่ไม่เป็นเลยแต่ตอนป้นนี่โอ้โหผิดกันแต่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันมาขนาดนี้แล้วมันไม่ลงมันมาเยอะแล้วถ้ามันไม่หยุดกิมันก็ไม่ลงแล้ก้ ลดมาลงสักครึ่งเลยกินมือเดียวกินมือเดียวแต่ตอนไปอยู่วัานะล้วมือเดียวยี่สิบวันลดไปห้าโลอ่ะใช่เนี่ยคนที่มาบวชนี่พันศาจึงเขาบวชเขาลดไปสิบกิโอ่ะใช่ลดลงมาสีนเมื่อเซ่นกินมือเดียวโอ้กินเค้กเป็นแบบกองกองผมก็ว่าเอ๊ะเด็กตกลงจะมาลดความอ้วนหรือจะมาเพิ่มความอ้วนไงงง เราซื้อไปให้พระด้วยบอกว่าว่าพระเป็ของผมเอาหวานๆมาชื่นใจผอกว่าพผมไม่ชื่นใจพระแบบอ้าวพระฉันท่านฉันไม่ได้ให้ท่านได้หวานๆให้ชื่นใจท่านไม่ต้องการชื่นใจหมายฉันบอกต้องการความสงบ ชื่นใจแล้วมันติดมันต้องชื่นใจเรื่อยอไหนไม่ชื่นใจก็อดหยิยนลาหายใจเดี๋ยววันไหนไอ่มอ่าเขาต้องฉันตามีตามเกิดเขาก็เลยไปชื่นจิตชื่นใจกาหาไม่ได้คู่ขอเลือกไม่ได้อขอไม่ได้ด้วยบอกไม่ได้ว่าจะเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้แล้วงานไม่มีคาถามบ้างหรอ มีไหมคมอหนูหนูนั่งแล้วมันไม่ค่อยนิ่งอย่ะานขาไม่นั่งเหมือนแมแตว่านิ่งมากเลยค่ะันก็ไม่นิ่งเลยค่ะสติมันน้อยไปสติน้อยสติน้อยไปอ๋อสติอเหมือนเบรกรถยนต์อ่ะมันเบรมันน้อยมันอาจจะเพวยอาจจะวุ่นอยู่กับโลกมากคิดมากไม่ไม่ค่อยเบรกมันเออไ้ง่ไปทไม่ได้่มนครับกล้ววันอ่ะื่ยี่ไหมวอ่ะกลับไปหมา่อตั้งสติได้อ่ะขอนั่งพัชนายคิดหนึ่ง ันวนั้นพูดโทรหนึ่งสานั่งได้ประมาณสัก50าสครั้งเอาข well, ึ้นไปอีกละลืมลืมลืมลืมชาวปรนุนลืมชาวนีอะไรอย่างเงี้ยก็คอจเป็นร0อยครั้งต่เอาเปต้องพรพูดบอกว่า0ันหัวให้ลืมงเฉยงงลองคุยกัน ร้อยได้ประมาณ3า0ร้อนี่ก็มากที่สุดแล้วท่านพยายามเพิ่มไปเรื่อยเรเพิ่มทแล้วเล็กเทน้อยไปจากสา้งสร้อยกว่า350้อห้าสิบต้องทำบ่อยๆสา0สก็เป็นส0 0ร้อจะได้รู้ว่ามืสติในนัดหนึ่พูดก้าโทรออกหนึ่งสอแต่หลวปู่ฟ้นหรือหปู่มั่นหปู่เทศฮะก็นั่งทาพุดโทษตลอดนะแต่ ก็ได้เวทหนึ่งแต่นั่งแล้วเวลานั่งนิ่งมากนะครัท่านไม่ได้ไปนูไหนอะไรอย่างเนี้ค่ะท่านแต่ว่านิ่งเดียวเดียวนีหมดแรงหมดแรงพอสติหมดมันก็หายนิ่งก็นั่งได้ขาแล้วนอนนั่งได้ไหมคะคนอนภาจนาได้แต่ไม่ได้นั่งมันไม่ได้ผลมันจะได้หลับมันจะได้หลับได้ไหมคะได้หลั่งไงได้นั่งแต่ไม่ได้สมาธิเออพอมันเข้มสติมันก็หายไป หายไปมันก็หลับก็ดีสําหรับคนที่นอนไม่หลับก็ใ ช, ใช้วิธีนั่งสมาธิในท่านอนไปไม่ต้องกินยานอนหลับก็เห็นบางทีพระท่านบอกว่าไม่เป็นไรโยมนั่ง ไ, <ด>ไปนอนนอนสมาธิก็ได้ใช่เพียงแต่มันได้มันได้มันได้หลับมันไม่ได้สมาธิถ้าอยากจะได้สมาธิมันต้องนั่งองนั่เพราะเวลาสงบมันมมัมันไม่หลับเหมือนกับเวลาในท่านอนเวลาท่านอนพอมันจะสงบมันก็หลับไปพร้อมพ้อมกัน มันก็เลยไม่ได้ไม่ได้รับประโยชน์จากการทำสมาธิมันไม่ได้สมาธิมันได้หลับถ้าไม่อยากหลับอยากให้มันตื่นนั่งสมาธิเพื่อให้ใจตื่นไม่ได้ให้ใจหลับก็ต้องอยู่ในท่านั่งเพราะท่านั่งมันไม่ใช่เป็นท่าที่สบายมันก็เลยหลับยากไม่ับไม่หลับแตไม่หลับพาท่านั่งแล้วไม่หลับงั้นเราต้องถามตัวเองว่าเราเราต้องการอะไเราต้องการหลับหรือเราต้องการสมาธิ ถ้าต้องการหลับก็นอนในท่านอนทําในท่านอนเดี๋ยวเดียวก็หลับพูดโธไม่ถึงสิบก็หลับแล้วสมาไม่ถึงสิบแต่ถ้าต้องการสมาธิก็ต้องอยู่ในท่านั่งเพราะผลไม่เหมือนกันถ้าหลับนี่ไม่มีประโยชน์อะไรกับใจอมันพักร่างกาย น, นี้ก็บอว่านอนวิปัสสนาเขไม่ได้ไม่ได้ผลไม่ได้ผลอะไรก็ผลได้คือได้ที่ร่างกายร่างกายได้พักผ่อนหลับนอน อเพราะใจไม่คิดเไงถ้าใจคิดมันก็จะนอนไม่หลับคือไหนที่นอนไม่หลับเพราะมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดอ๋ยวพอมันนอนไม่หลับก็อยากจะให้มันหลับมันก็ยิ่งไม่หลับใหญ่เวลานอนไม่หลับอย่าไปอยากให้มันหลับยิ่งอยากให้มันหลับยิ่งมันไม่หลับใหญ่เวลานอนไม่หลับก็รู้ว่าไม่หลับก็ไม่เป็นไรกูก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หลับเองแต่ถ้าไปอยากให้มันหลับมันยิ่งยิ่งเครียดใหญ่ ความอยากทําให้ใจเครียดแล้วยิ่งทําให้ใจไม่หลับ น, น, นอนไม่หล่ะ mm hmm. แล้วก็เลยต้องไปเครื่องยานอนหลับพอ mm hmm. กินยานอนหลับมันก็ติด mm hmm. ต่อไปก็ต้องกินเรื่อยๆ mm hmm. แล้วยานอนหลับมันก็มีพิษมีภัยกับร่างกายนี mm hmm. ่ไม่ดีไปก่อสารมาเลงขึ้นมาในร่างกายโดยไม่รู้เสกตัวนคนที่กินยาใครใครหลับใจเครียด น, น, นั่นแหละ ยาพวกนี้ยาพวกนี้มันเป็นยาที่มีพิษภัยติดมากับยามีสารอะไรต่างๆที่อาจจะมาทําให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งขึ้นมาก็ได้ <Okay. S 1> เป็นโรคมะเร็งกันเยอะทุกวันนี้ก็เพราะกินของพวกนี้เข้าไปกัน <Okay. S 1> ไม่กินของธรรมชาติถ้า <Okay. S 1> เป็นของธรรมชาติมันไม่มีพิษมีภัย <Okay. S 1> แต่ของที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาเนี้มันสายอะไรเข้าไปบ้างกันไปรู้ okay. ใส่อะไร ม, มันไม่บอกเราว่ามันใส่นู่นใส่นี่ ม, มันจะบอกแต่ประโยชน์ที่ได้รับแต่มันจะไม่บอกเรื่องโทษที่จะได้รับจากยาแล้วผู้ที่ควบคุมก็ไม่มีความสามารถที่จะไปตามเช็คยาทุกชนิดได้ว่าใส่อะไรเข้าไปบ้างมีผลอะไรต่อร่างกายบ้างอตอนนี้มีโรคภัยเยอะก็เกิดจากกินของพวกนี้เข้าไปแหละ ม, มันมีสาร ปรุงสีปรุงแต่งสีแต่งกลิ่นสารอะไรต่างๆเหลานี้มันเข้าไปมันทาให้สารกันบูดสารการเสียส<า>เอยอะแยะไปหมดข<ม>องพวกนี้แหละที่เป็นตัวอันตรายถ้<ม>ากินของธรรมชาติมันไม่มีสารเหล่านี้<ม>ถ้ามันเน่าก็เน่าไปเลยเสียก็เสียไปเลยจะได้ไม่ต้องกินมันใช่ไหมเห็น<ม> คนทำไมนี้ก็บางคนเขานิยมกินแต่ของธรรมชาติอะไรออร์แกนิกออร์แกนิก <c oughs> แต่ออร์แกนิกก็ไปเจอสารฆ่าฆ่ า, มาแมลงสารอะไร ก, ก็ต้องมีออร์แกนิกแบบที่ไม่มีไร้สารเด็กต้องมีติดป้ายเขียนไว้อันนี้ไม่ได้ใช้สารไม่ได้ใช้สารฆ่ า, มาแมลงก็างบางคนขเขาก็กินเบชเชอรี่ตลอดก็เป็นมะเ็งได้ ถ้คุณน้าเนี่ยเป็นมะเร็งหมอยบอกก็กลับมากินเนื้อมัองมันก็อาจจะเป็นอย่างอื่นอากาศที่หายใจเข้าไปก็ทําให้เป็นมะเร็งได้มันมีอย่างอื่นด้วยน้ําำน้ําก็มีตัวอื่นอความเครียดอะไรอย่างหลายอย่างมันไม่ใช่แต่อาหารอย่างเดียวคนกินออร์กนิกตลอดแล้วก็เป็นเพราะว่าเนี่ยพูกได้เลยว่าเป็นเป็นได้ทีที่ไม่เป็นก็อย่ามาเกิด ถ้าไม่เกิดแล้วรับรองได้ไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยคนก็อยากไม่อยากมาเกิดท่านขาที่ทุกคนนั่งกันไปอยากจะนั่งกันให้ได้ถึงพระนิพพานเนื้อท่านขาไม่ได้แล้วที่จะจะจะจ้ากี่กี่ชาตินะคะถึงจะกลับมาแต่เราเราที่คงนั่งเป็นรอยชาติแต่เรามันยัง พวเรายงังเรื่องท้าวเหนียวม่วงไม่ได้เราทุเรียนไม่ได้ไฟไม่ถึงนี่เไฟไม่ถึงคุณบาลมีช่วยเยะสุดค่ะมันต้องเริ่าพวกนี้ให้ได้เนี่ยมันต้องแบบว่าตั้งแต่ชาติที่แล้วกซื้อม็ถ้ามันไม่เริ่แล้วมันจะมีชาติก่อนชาตินี้มันมันก็ต้องเริ่มทําได้มันไม่สตาร์ทแล้วมันจะมีจุดไหมล่ะใช่ก็ทําอันนี้เนี่ยดีไม่ดีอาจจะจบในชาตินี้เลย ช้าทุกท่านดูการ์มุตรราชทั คอยจบแค่นี้อยู่ที่ทํามากทําน้อยพี่ชาก็จะเริ่มก่อนนะพี่ชาก็ลดตัวเองออกมาจัดสังคมทั้งหลายวันๆมีคนนู้นโทรชวนไปออกงานนู้นเปิดงานนู้นเลิก แ, แค่นี้จบเลยแล้วก็มาอยู่ในคอนโดก็มีแล้วก็มานั่งสมาธิไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่ชาก็จะนิ่งไปเรื่อย ๆ, ๆแล้วก็ฟังทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่ชาก็ดีเองจบแล้วนะพี่นายขาแหมไม่ก้าหลอกไม่คองง่ายๆนะไม่มีอะไรยากเลย แล้วก็ลดความวุ่นวายในชีวิตออกมาจบพร้อมก็มีอยู่แล้วไม่ได้ตุนไม่ได้เดือดร้อนเพียงแต่หลีกตัวเองออกมาจากสังคมของง่ายว่ากแต่ทํายากมาก่นของง่ายก็เลยทํายากยากทางบ้านเขากำลังรออยู่บ้านมาดูเวลากินดี อลิซ่าต like. ้าก่อนก็ได้ช่วงสองเลยนะครับห้าช่วงสองว่า เฟซบุ๊กเป็นบุ๊กเฟซบุ๊กอฮะโอ้นี่เดี๋ยวคนไลฟ์เลยไม่รู้เหรอจรเอหนูไม่รู้ว่ามีเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยอโตายแล้วหนูแบบไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ดีไหอาดีไม่ต้องมาไม่อ้าดีนต้องมาแล้วกันเนียไปอยู่ที่นั่นนูเฟซบุ๊กไลฟ์ดีกว่าเลยใครกถามท่านไลฟ์ได้ไหมได้คนก็ถามไลฟ์มาได้เลย ส่งข้อความเข้ามาส่งข้อความเข้ามามันไม่เป็นการส่งข้อความไม่แชทเลยอ๋อแชทได้เลยเหรอคะเราเปิแชทได้เลยอ๋อจริงแล้วเราต้องแอดท่านเข้าไปก่อนใช่ไหมเราต้องแอด Facebook เขต้องถูกใจเพราะว่าแอดรับไม่ได้แล้วเพราะว่าเพื่อนเพื่อนกดถูกใจได้ครับกดถูกใจครบอาจารย์สุชาติภาษาไทยครับอันนี้ไม่ต้องแอดเข้าได้ไม่ต้องแอดเข้าได้อภิชาโตเลยไทยใครไทยใครก็เข้าได้ภาษาไทยเหรอฮะเขาไปดูได้หมดเขาไปดู เ ป, ปิดเราปิดเสียงนะเดี๋ยวมันจะมาชนกันอยากให้มันเสียงดั ง, เ, งเข้าได้ยัง อ, อยากจะถามอะไรถามก็เป็นปกติสถานีเราว่างในการปฏิบัติจริงๆมันเหมือนกับว่าที่ทำอยู่ก็เหมือนเขาเรียกว่าสายผงหยุดแต่ตอนนี้ก็คือภาวนาสักพับนึ่งจิตก็จะมีความสงบแต่ในหนึ่งเดือนจะต้องพยายามเข้ากรรมฐานให้ได้ทุกเจ็ดนโดยส่วนใหญ่ แต่ตอนนี้เราต้องรู้สึกถึงเหมือนกับว่าพอหลับตาภาวนามันก็ว่างแล้วพอว่าง้วเราก็คือสงบคือณนะตอนนี้ก็คือความสงบนิ่งแม้จะมีคิดเกิดขึ้นมีเสียงเกิดขึ้นมีเวทนาเกิดขึ้นก็แค่รู้มีสติมระลึกรู้ก็คือไม่ได้รู้เขวเวทนาแต่รู้สึกว่ามันแบบว่าความสงบมันก็คือระดับขั้นของความสงบก็คือเข้าเข้าไปเรื่อยๆ ถัจดจากนี้มันมีความสึกว่าเราจะต้องเหมือนกับว่าสงบในจุดๆดนี้นานสักเท่าไหร่<ถ>การจเจริญปัญญามันจะเกิดขึ้นได้สองคือเรื่องความสงบนี้เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติแล้วการความสงบนี้มันสงบได้สองทางสองวิธีสง บ, งสง บ, สงบด้วยการมีสติควบคุมความคิดแต่ถ้าเวลาใดเราเพลิสติความสงบก็หายได้เพราะจะเกิดความอยากขึ้นมาฉะั้นถ้าเรา ต้องการที่จะรักษาความสงบอย่างถาวรเราก็ต้องหัดใช้ปัญญาเพื่อมาคอยทำลายความอยากเห็น ไ, ไหมปิดเสียงซะเข้าได้แล้วใช่ไห ม, ไมที่นี้ไม่ต้องมาแล้วเ <c oughs> นี่ยมันมีสองวิธี <c oughs> ถ้าเราใช้สติ <c oughs> เราก็ต้องคอยมีสติ <c oughs> คอยควบคุมใจไม่ให้เกิดความอยาก แต่ถ้าเราเผลอเกิดความอยากขึ้นมาความสงบมันจะหายไปเช่นพอเห็นกาแฟอยากจะกินขึ้นมานี่ความสงบอยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้นะต้องไปหากาแฟมากินแต่ถ้าเราอยากจะทําลายความอยากดื่มกาแฟเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าการทําตามความอยากนี่นำไปสู่ความทุกข์เพราะว่ามันจะอยากเรื่อยๆแล้วเวลาอยากแล้วไม่ได้ดื่มมันก็จะทุกข์ เน้น ว, วิธีดีที่สุดก็คืออย่าไปทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากดื่มกาแฟก็จะหายไปแล้วเราก็จะไม่มีความอยากดื่มกาแฟมาทำลายความสงบของเราทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ใช้ปัญญาอยากจะไปเที่ยวก็ต้องใช้ปัญญาบอกถ้าไปเที่ยวก็ต้องไปอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาไปเราก็จะไม่สามารถรักษาความสงบได้แต่เราจะมีความสนุกมีความเพลิดเพลิน แล้วเดี๋ยวพอเรากลับมาอยู่บ้านเราก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะมันความอยากจะให้เราอยากออกไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆเั้นเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่าการทําตามความอยากไปเที่ยวนี้เป็นการไปทําลายความสงบไม่ได้เป็นการรักษาความสงบแต่อยากจะรักษาความสงบต้องไม่ทําตามความอยากมันอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ไปให้เห็นโทษของมันเห็นโทษแล้วก็ใช้สติใช้สมาธิช่วย เวลารู้สึกไม่สบายใจจากการอยากไปเที่ยวก็พุดโธพุดโธไปควบคุมใจให้มันอยากไปคิดถึงเรื่องที่จะไปเที่ยวพอมันลืมเรื่องไปเที่ยวปั๊บมันก็สงบแล้วต่อไปความอยากไปเที่ยวมันจะอ่อนกําลังลงไปแล้วในที่สุดมันก็จะหายไปนี่คือวิธีการที่จะรักษาความสงบได้อย่างถาวรต้องใช้ปัญญาที่ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา ที่ว่าจะให้ความสุขกับเรานั้นความจริงมันเป็นความทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปพอหมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ยังนั้นเราอย่าไปหาความสุขแบบนี้กันเรายึดเลิกหาความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวที่เป็นความทุกข์เรามาหาความสุขจากการไม่ทําตามความอยาก ถ้าเราหยุดความอยากได้ต่อไปเราไม่มีความอยากแล้วเราจะอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขมีความสงบเพราะไม่มีอะไรจะมาทำลายความสงบนี่เกิดเรื่องของวิธีการสร้างความสงบสร้างความสุขให้กับใจขั้นต้นเราใช้สติก่อนเพราะมันง่ายใช้พุโทโธพุโทโธไปพอใจไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็จะสงบในความสุ พอเผลอไปคิดถึงกาแฟก็อยากจะดื่มก็ใช้ปัญญาบอกว่าอย่าไปดื่มดื่มน้วติดติดแล้วต้องดื่มเรื่อยๆเวลาไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์นี่ก็การใช้ปัญญาต่อไปเราก็จะตัดความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากจากใจของเราได้เวลาไม่มีความอยากแล้วเราไม่ต้องรักษาใจแล้วเหมือนกาบบ้านเมืองเรานี่ถ้าขโมยถูกจับเข้าคุกหมดแล้วเราก็ไม่ต้องมีตำรวจแล้ว ไม่ต้องมีกุญแจไม่ต้องล็อกบ้านเพราะขโมยถูกจับเข้าคุกไปหมดแล้วอันใดถ้าเราทําลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วเราก็จะไม่มีตัวมาก่อเรื่องวุ่นวายใจต่างๆให้กับเราเราก็ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีสติไม่ต้องมีอะไรอยู่เฉยๆไปสบายไม่มีอะไรมาก่อกวนใจ จำเต็มเจ้าคะว่าเราจะต้องฝิกการเดินกันนั่งว่าจะต้องเป็นเพื่อชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเดนิดนหนึ่งนั่งหในบางครั้งเรารู้สึกว่าเรามีความสงบในขณะนั่งเราปรับได้เราปรับได้<อ>นั่งมากบ้างเดินมากบ้างสลับกันไปแล้วแต่ความเหมาะสมของการปฏิบัติบางวันเดินแล้วได้ประโยชน์มากกว่านั่งก็เดินให้มากบางวันนั่งแล้วได้ประโยชน์มากกว่าเดินก็นั่งมากแต่มันต้องปรับเปลี่ยน เพราะว่าร่างกายนี้ถ้าให้อยู่ในเอเรียบทเดียวนานๆมันก็จะเป็นง้อยไม่พิกลิพีการได้ก็ต้องมีการยืดเส้นยืดสายมีการอันนี้เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพของทางร่างกายต้องให้มันสมดุลในเอเรียบ ท, ทั้งสี่นั่งบ้างเดินบ้างยืนบ้างนอนบ้างร่างกายมันถึงไม่พี่กลิพีการแต่ในขณะที่อยู่ในท่าใดแล้วก็ภาวนาได้จเจริญสติได้จเจริญปัญญาได้ เั้นเราสามารถกําหนดได้ตามความเหมาะสมจะเดินมากก่อนนั่งก็ได้จะนั่งมากกว่าเดินก็ได้ในบางวันสลับกันไปเปลี่ยนกันไปบางวันรู้สึกว่าร่างกายต้องการเดินมากก่อนั่งก็เดินมากกว่าบางวันรู้สึกว่าเดินมากไปแล้วร่างกายมันเมื่อยแล้วก็นั่งมากกว่าเดินมันก็ปรับไปตามตามธรรมชาติตามความเป็นจริงในการปฏิบัติทางใจก็เหมือนเดิม ต้องมีสติควบคุมใจอยู่ตลอดเวลาต้องมีปัญญาคอยตัดตัญหาความอยากอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะมีความสุขกายสุขใจร่างกายก็สบายจิตใจก็สบายดูแลทั้งสองส่วนทางบ้านมีใครถามไหมมีครับราอาจารย์ครับทำถามแรกจากคุณสุขใจนะครับ เวลานั่งสมาธิแล้วในสมาธินั้นจะเห็นภาพต่างๆเป็นเงาแวบไปแวบมาเป็นเพราะอะไรหรือคะก็เป็นเรื่องของใจที่ไปรับรู้หรือไปคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองซึ่งเราไม่ควรที่จะให้ความสำคัญไม่ควรจะสนใจเพราะถ้าเราไปตามรู้ของพวกนี้มันจะทำให้เราไม่ได้ภาวนาไม่ได้ควบคุมใจใจก็จะไม่เข้าสู่ความสงบได้ เราต้องไม่สนใจแล้วก็ให้ภาวนาของเราไปเรื่อยๆถ้าเราพุโทโธก็พุโทโธไปเรื่อยๆดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆไม่ว่าจะมีอะไรมาปรากฏให้รับรู้ก็อยากไปสนใจเราต้องการให้ใจเข้าสู่ผู้รู้เข้าสู่ความสงบถ้าไม่ภาวนาไปตามรู้แสงสีเสียงรูปนั้นรูปนี้มันก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็จะหลงทางคิดว่านี่คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติ ที่ไม่มีประโยชน์ต่อการที่จะมาใช้ในการเจริญปัญญาเพื่อที่จะมาทําลายตันหาความอยากต่างๆสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญปัญญาก็คือจิตที่นิ่งสงบจักแต่ว่ารู้มีอุเบกขาเราต้องการอุเบกขาเพราะอุเบกขานี้จะเป็นตัวที่ต่อสู้กับตันหาความอยากได้คําถามที่คุณพัชรานะครับข้อที่หนึ่งปัจจุบันดีฉันฝึกปฏิบัติ ภาวนาพุทรฝึกทำสมาธิให้จิตรวมและฝึกเจริญปัญญาพยายามลดความอยากเพื่อจะได้วางใจจากทุกข์ถูกทางไหมคะถูกต้องถูกต้องอทำสมาธิแล้วก็ออกจากสมาธิมาก็ทาปัญญาเพื่อจะได้มีอาวุธคอยทำลายตันหาความอยากต่างๆปัญญานี้จะทำลายความอยากได้ทุกชนิดเพียงแต่ว่าต้องใช้ให้มันเหมาะสมเทนันเองถ้าอยากอาหารก็ต้องใช้ปัญญาทางอาหาร ปัญญาทางอาหารก็คืออย่าไปอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานให้ไปคิดถึงอาหารที่มันอยู่ในปากอาหารที่อยู่ในท้องอาหารที่มันถ่ายออกมาถ้าเห็นอาหารเหล่านั้นแล้วมันก็จะทำให้หายอยากถ้าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานมันก็จะหิวมันก็จะอยากขึ้นมานี่คือปัญญาถ้าอยากจะมีแฟนก็คิดถึงตับไตไส้พุงของแฟนคิดถึงโคงกระดูกของแฟน เวลาเห็นหน้าแฟนก็เห็นนึกถึงกโลกศีรษะที่อยู่ใต้ผิวหนังใต้ผิวหน้าถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะหายอยากได้แฟนแล้วคิดถึงเวลาเขาตายเวลาตายนอนกับเขาได้ไหมเวลาเขาอ้วนอย่างอยากจะอยู่เขาหรือเปล่า <laughs> <laughs> เวลาเขาไม่สบายพี่คนพี่การไปบางคนเป็นเอามาพึ่งก็มาพ้านี่ทิ้งกันเลย มันก่อนก็มีคนมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอมตพฤกภรรยาก็บ่ายๆตัวเองก็อยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้เนี่ยเราต้องคอยตัดความอยากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแต่อยากจะมีแฟนก็นึกถึงอสุภะของเขาอย่าไปนึกถึงสุภะอย่าไปนองมองแต่หน้าที่สวยงามๆหล่อเล้าย วองที่ตับตายไสพุงบ้างวองที่อวัยวะภายในบ้างวองที่โครงกระดูกบ้างมองเวลาที่ตายแล้วขึ้นอืดขึ้นพองบ้างแล้วมันจะได้ทำให้หายอยากปัญญามันมีหลายชนิดอยู่ที่ว่าเรากำลังไปติดอยู่กับเรื่องอะไรก็ต้องใช้ปัญญาที่ถูกต้องถ้ารักใครหวงใครไม่อยากให้เขาจากเราไปก็ต้องพิจารณาว่า เขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย <Yeah. S 1> เขาไม่แน่นอน <Yeah. S 1> ใจเขาเปลี่ยนได้วันนี้ชอบเราพ่งนี้เบื่อเราก็ได้ <Yeah. S 1> เวลาเบื่อเขาก็ทิ้งเรา <Yeah. S 1> อยากยังไงแม่ก็ทิ้งเขาก็ทิ้งอยู่ดีอย่า yeah. น yeah. <Yeah. S 1> พิจานี้ต่อไปจะได้ไม่อยากจะมีแฟน yeah. <Yeah. S 2> มีแล้วจะรู้ว่ามันทุกข์มากกว่าไม่มี <Yeah. S 2> <laughs> เวลาทุกข์ไม่มีแฟนก็ไม่นั่งสมาธิก็หายทุกข์แล้ว วิธีแก้ปัญหาก็คือตัดความอยากใชตัดความอยากมีแฟนใช่ไหพอไม่มีความอยากมีแฟนก็อยู่คนเดียวจะไม่รู้สึกเหงาที่มันเหงาเพราะความอยากนี่แหละทำให้รู้สึกเหงาพอไม่มีความอยากมีแฟนมันก็ไม่เหงาละอยู่คนเดียวสบายพออยู่คนเดียวสบายแล้วต่อไปไม่อยากจะอยู่กับใครอยู่กับใครมันก็ต้องวุ่นกับเขาต่อให้เขาเป็นเทวดาดีขนาดไหนมันก็ต้องมีเรื่องให้เราวุ่นใจอยู่ดี อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความไม่มีความไม่มีความอยากมีแฟนดีกว่าจะไม่มีความอยากได้ก็ต้องใช้ปัญญาต้องให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงความสุขจากแฟนนี้ไม่เที่ยงพอมันหายไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแฟนก็เราก็เก็บไว้อยู่กับเราไม่ได้สั่งให้เขาอยู่กับเราก็ไม่ได้เวลาเขาจะไปเพราะเขาไม่ใช่เป็นของเรา ให้มองว่าทุกอย่างนี้ไม่ได้เป็นของเราวันดีเกินดีเขาจะไปจากเราเมื่อไหร่ก็ไปได้ทันทีเดี๋ยนเราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปถือว่าเป็นของเราอย่าไปคิดว่าเขาจะอยู่กับเราไปตลอดวันดีคืินดีเขาไปได้อย่างง่ายดายไปอย่างไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งไว้ก่อนญา mm hmm. ยาโ ย, ยมส่วนหนึ่งที่มาอยู่วัดกันก็ พ, พ่อแฟนหายกันไปปุ๊บปั๊บหายไปตายไปบ้าง mm hmm. เป็นอะไรไปบ้าง <laughs> ทำใจไม่ได้พ่อหายไปนะก็เลยต้องมาอยู่วัดมาทําใจกันยังอยู่ออยังอยู่ไม่ได้ใช่อาจจะคนก่อนตายไปแล้วมั้งสอนไม่ไดีชาตอนไม่แน่คำถามต่อไปข้อที่สองมีกัลยาณมิตรแนะนําให้เป็นผู้ดูผู้รู้ที่กายเวทนาจิต จนสามารถแยกส่วนได้ว่าเป็นคนละอันกันตามสภาพจริงๆของแต่ละอันดิฉันไม่เข้าใจศัพท์เช่นนี้ขอพระอาจารย์เมตตาสอนด้วยค่ะคือให้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเวทนาไม่ใช่ของเราอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้ไม่ใช่ของเราคือเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เวลาอารมณ์เสียอารมณ์โกรจะให้มันหายปุ๊บปั๊บนี่มันไม่หาย เวลาโกรธขึ้นมาจะให้มันหายมันไม่หายแต่เราอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายที่เราทุกข์เพราะว่าอยากจะให้มันหายพออารมณ์เครียดขึ้นมาก็อยากจะให้มันหายพอมันไม่หายก็เลยไปแก้ด้วยวิธีผิดไปทำอะไรตามความอยากไปเที่ยวเพื่อที่จะทำให้อารมณ์หายมันก็หายชั่วคราวเพราะเราไปเปลี่ยนอารมณ์ ไปเปลี่ยนอารมณ์เครียดไปเป็นไปอารมณ์เที่ยวขึ้นมาพอได้เที่ยวมันก็มีความสุขอารมณ์สุขก็โผลขึ้นมาแต่เดี๋ยวพอกลับมาบ้านมาที่ทำงานก็มาเจออารมณ์เก่าวิธีที่จะแก้ก็คือรู้ไว้แล้วก็ปล่อยวางเดี๋ยวมันก็หายเองมันไม่เที่ยงทุกอย่างมีเกิดมีดับถ้าเรารู้สาเหตุของอารมณ์ไม่ดีเราก็แก้ อารมณ์เหตุของอารมณ์ไม่ดีทั้งหลายก็คือความอยากนี่แหละพออยากได้อะไรไม่ได้ดังใจอยากก็อารมณ์บูดเบี้ยวขึ้นมาเราก็เลิกเสียอย่าไปมีความอยากแล้วมันก็จะไม่บูดไม่เบี้ยวงนั้นแกได้ถ้ารู้ต้นเหตุของปัญหาแต่ถ้าไม่รู้ต้นเหตุของปัญหาก็ทำใจเฉยๆอยู่กับมันไปมันจะบูดก็ปล่อยมันบูดไปเดี๋ยวมันก็หายอย่าไปอยากให้มันหาย เพราความอยากให้มันหาจะทําให้เราเครียดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคําถามจากคุณพินแคนนะครับวิธีการชําระหนี้สงที่ถูกต้องควรทาอย่างไรเจ้าคะอ้าก็ไปมอบให้กับวัดเสเร็จแล้วไม่ถ้าเราเป็นหนี้กับวัดก็ไปมอบให้กับวัดไปสงก็คือวัดนีแ่แหละหรือถ้าเราเป็นหนี้กับพระรูปใดรูปหนึ่งไปยืมเงินพระรูปนั้นมาว <c oughs> ก็ถึงเวลาก็ไปใช้ก็ได้ก <c oughs> ายเป็นเจ้าหนี้เราเราก็ไปใช้กับเจ้าหนี้คนนั้น เชนที่ก็มาใช้นี่สงเช่นมาอยู่วัดมาใช้น้ําใช้ไฟวัดก็ต้องใจ่ายใช่ไหมค่าน้ําค่าไฟ<ๆ>เวลาที่เราทําบุญค่าน้ําค่าไฟก็คือการใช้นี่สงนี่แหละแต่เวลามาทําบุญใส่บาทนี่ไม่ได้ใช้นี้นะในการทําบุญเ<อ> <dressing. S 1> พราะเราไม่ได้กินข้าวของพระไม่ใช่หรือถ้ากินข้าวของพระก็ต้องก็ต้องใช้นี่พระต้องใส่บาทแต่ถ้าเราไม่ได้กินข้าวของพระเราก็ไม่ต้องใช้นี่ ตอนออกก็จะไปใช้ไม่ส่ด้วยนี่มาอยู่มาอยู่ใช้วัดนี่คือมาอยู่วัดมาใช้ต้ อ, อ <ๆ S 2> งถามเจ้าคุณแพปปี้โจนะครับพุทโทแล้วไม่ลงเปลี่ยนเป็นคาถาชินะบนนัญชรก็ยังไม่ลงกลายเป็นย้ายไปย้ายมาเมตตาขออุบายครับไม่หรอกทำน้อยไปกินสองคำใช้มันอิ่มได้ไงกินไปเรื่อยๆเถเดี๋ยวมันก็อิ่มเองพุโทโธยังไม่ลงก็พุโทโธต่อไปเดี๋ยวมันต้องลง ถ้าไม่หยุดพุทโธเดี๋ยวมันต้องลงหรือชินมันชอนก็ชินมันชอนไปอย่าหยุดจนกว่ามันจะลงมันถึงค่อยหยุดเหมือนเหยียบเบรกรถเนี่ยเหยียบปุ๊บรถมันไม่จอดแล้วก็ปล่อยเบรคมันก็ไม่มันก็วิ่งต่อไปเลยถ้าอยากใช้มันหยุดก็ต้องเบรคอยียบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หยุดเองเนี่ยพุทโธก็เป็นเหมือนเบรกใจชินบันชอนก็เหมือนกับเบรกใจใช้ได้ใช้ทนกันได้ยิ่งแต่ว่าต้อง ใช้มันจนกว่าจิตมันจะหยุดถ้ายังไม่หยุดก็ใช้มันไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธหนึ่งพุทโธสองไปห้าสิบยังไม่หยุดก็พุทโธ ร, ร้อยพุทโธ ร, ร้อยไม่หยุดก็พุทโธสองร้อยรับรองไนะ้มันต้องหยุดแ น, น่ๆถ้าเราถ้าเราไม่หยุดพุทโธปัญหาคือเราพุทโธได้สองคำแล้วจะให้มันหยุดแล้วเราก็หยุดพุทโธไปมันไม่มีวันหยุดหรอกคำถามจะคุณเกียงไก่นะครับ ขอโอกาสท่านพระอาจารย์เมตตาให้ําแนะนําข้อปฏิบัติสําหรับครอบครัวกับผมมีบุตรธิดาสองคนถ้ามีโอกาสบั้นปลายชีวิตอยากบวชในเพศบรรพชิตครับกราบขอบพระคุณครับไม่อยากให้บวชบั้นปลายชีวิตหรอบวชส่วนใหญ่บวชตอนแก่นี่มันไม่ค่อยได้คุณภาพเท่าไหร่บวชมาแล้วก็มาเป็นภาระให้กับพระลูกเอ๋เพราะตัวเองทําอะไรก็ทําไม่ได้เรานิสัยคารวะมันก็ติดมา ถ้าใช้ power bank เราก็ต้องเสียบอยู่เรื่อยๆเรามันไม่ชาร์จให้เราหรืชาร์จดูมันชาร์จเป็นตัวตัวแบตแทนเานั้นเองชาร์จแบตไปแ้ชาร์เหมือนชาแบตไปในโทรศัพท์้เกปไหนไปไหนถ้าเกิดมันจะหมดโดยเฉพาะถ้าเกิดเหลือแคแบตตัวแดงขึ้นนะท่านไม่วรโทรศัพท์ไอ่าไมรด้ม่ควรพูดโทรศัพท์ก็ให้ชาร์จเวลาตัวแดงเราใช้ power bank เสียบเข้าไปเลย เราเราก็จะใช้ power bank แทนแบตข้างในแล้ว power bank นี่มันชาร์จแบตข้างในไปด้วยหรอเปล่ามันก็ชาร์จแบตด้วยชาร์จด้วยเป็นเหมือนกับเป็นกับเราชาร์จจากใช่เหมือนกับเรสียบปลั๊กเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเราแ c a นี y ไปที่ไหนไหนได้แต่จะไม่ลองว่าไงเรีบร้อนแล้วครับอาจารย์ถามต่อขออภัยด้วยนะเมื่อกี้แบตหมดโองว่าผมชาร์จกคืนแล้วละโฆษณาก่อนก็ได้ครับ คำถามจากคุณโทมี่นะครับถ้าภาวนาจิตสงบแล้วพอออกจากสมาธิเพื่อเข้านอนปกติจากนั้นก็ได้กาหนดสมาธิต่อคือกาหนดพุทโธต่อในท่านอนได้เห็นโครงกระดูกเป็นท่อนๆบางครั้งก็เป็นทั้งโครงกระดูกล้มนอนอยู่กับพื้นอย่างนี้หนูต้องทำอย่างไรในการเห็นเพราะตกใจสักคู่ก็หายไปครับ ก็ให้รู้ว่านี่มันเป็นส่วนประกอบของคนเราทุกคนร่างกายของทุกคนก็มีครงกระดูกนี้แต่เราลืมกันเรามักจะมองไม่เห็นกันเราก็เลยไปหลงไหลคลังคล้ายกับอาการภายนอกของร่างกายการที่เราดูครงกระดูกเพื่อให้เราได้เห็นส่วนที่เป็นส่วนที่จริงของร่างกายที่จะทำให้เราหายการหลงไหลคลังค้ายไปกับความสวยงามของร่างกายว่าความสวยงามของร่างกายก็เป็นแค่เปลือกเท่านั้นเอง เป็นที่ผิวหนังที่มันครอบโ ค, โครงกระดูกนี่ถ้าเราเห็นโครงกระถ้าผิวหนังเราใสาเหมือนถุงพลาสติกนี่เราจะลงละหลายข้างคร้ากับร่างกายนีハハ้ถ้าเราเห็นโครงกระดูกอยู่ภายใ <cuatro> ต้ผิวหนังนี่เนี่ยเราต้องใช้ตาปัญญาถึงจะเห็นถึงจะสามารถทำหนังของคนให้กลายเป็นใสเหมือนถุงพลาสติกได้การที่เห็นโครงกระดูกนี้ก็เพื่อที่จะทาให้เราเห็นภายใต้ผิวหนังที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อ เราต้องใช้ตาในคือปัญญาพยายามเพ่งพยายามนึกถึงโครงกระดูกอยู่เรื่อยๆต่อไปเวลาเราเห็นร่างกายของคนนี่เราจะเห็นโครงกระดูกของทุกคนเหมือนเหมือนตาเอ็กซเรย์อันนี้แปลว่าก็นั่งได้ได้ขั้นหนึ่งแล้วไะก็จะว่าขั้นหนึ่งนึ่งขั้นมันก็ขั้นปัญญาไงการที่เห็นโครงกระดูกเห็นอะไรนี่มันเพียงแต่ว่ามันจะเห็นได้นานเท่าไหร่กลัวพอออกมาเจอหน้าสามีก็หายไปหมดเลยอมันต้องเห็นตลอดเวลา มั น, นจึงจะละงับดับความหลงได้ว่าเราอยู่กับโครงกระดูกแท้ๆไหตัวร่างกายเราก็โครงกระดูกเว่เราสองหน้าตาดูกระจกไม่เคยเห็นโครงกระดูกเลยฮะเห็นแต่ผิวหนังที่ครอบ <c oughs> แล้วก็ไปหลงไหลกับผิวนะั้นพอผิวนะั้นมีสิวขึ้นมาหน่อยมีฝ้าขึ้นมาหน่อย <c oughs> ก็เครียดไปกับมันนะ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าของจริงแท้ๆอยู่ข้างในมันเร็วร้ายกับฝ้ากับสิวเสียกับมองไม่เห็น ก็เลยไม่ไปเครียดกับมันถ้าเกิดผิวหนังเราใสาเหมือนสังเวชเตกแล้เห็นโครงกระดูกเราทุกวันนี้คงจะเครียดหน้าดูนะไม่อยากจะออกไปนอกบ้านเลยเพราะพยายามจเจริญต่อไปจเจริญอยู่เรื่อยๆจนไม่ให้ลืมเวลาเห็นใครเห็นร่างกายของใครให้เห็นโครงกระดูกของเขาทุกครั้งเราจะไม่ไปหลงไหลข้างใครแต่ไม่ไปอยากให้เขาเป็นแฟนของเรา <c oughs> คำถามจากคุณวันเนซ่านะครับถ้าเราไปทำบุญใส่บากอยู่ตลอดทุกวันที่มีโอกาสจะเรียกว่าบ้าทำบุญมากเกินไปหรือเปล่าคะเพราะมีคนบอกว่าการทำบุญอยู่ที่บ้านโดยนั่งสมาธิภาวนาก็ได้ไม่จำเป็นต้องวิ่งออกไปแสวงหาที่อื่นคือบุญมันก็มีสามระดับไงบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการฟังนามันก็อยู่ว่าเรากาลังอยู่ในขั้นไหน แต่เรายังอยู่ในขั้นที่ต้องทําบุญทําทานเราก็ต้องออกไปข้างนอกหรือถ้าเราสมัยนี้ไม่ออกก็เราก็โอนเงินก็ก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีให้กับวัดก็ได้ให้กับโรงพยาบาลก็ได้ให้กับโรงเรียนก็ได้ให้กับ<ม>การกุศลต่างๆก็ได้ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญเหมือนกันทําไปจนกว่าเงินทองที่เรามีทําบุญมันหมดแนละถึงจะหยุด <c oughs> ถ้ายังมีทําบุญได้ก็ทําไป <c oughs> มันเป็นประโยชน์มันทําให้ใจเรามีความสุข มีความอิ่มเอิบใจแล้วมันทำให้เราเป็นเทวดาเป็นเศรษฐีบุญเวลาเราตายไปเราจะได้ไม่ต้องมาขอบุญคนอื่นาคนที่ทำบุญเยอะๆเนี่ยเช่นพระที่มาบวชเนี่ยในอดิตชาติทำบุญมาไม่เท่ากันบางคนอาชาติก่อนๆอาจจะยากจนไม่มีเงินทำบุญพอมาเกิดชาตินี้ถึงแม้ว่าจะเป็นผ้าอาหารแต่เป็นผ้อาหางแบบยากจนไม่มีไม่มีศรัทธาญาติโยมมาคอยทาบุญด้วย บางองค์ในชาติก่อนเป็นเศรษฐีทําบุญเยอะแยะอย่างพระพุทธเจ้าเป็นพระเวชสันดรนทําบุญเยอะแยะพอมาเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ ย, ยคนมาทําบุญกับพระเจ้าเยอะแยะภระศิวะลีเงี้ยเพราะท่านในอดีตชาติท่านทําบุญทําทานมาเยอะอนิสงค์ของบุญที่ท่านทําถึงแม้มันจะเป็นผ้าอาหารแล้วไม่ต้องใช้เงินใช้ทองก็มีคนอยากจะมาทําบุญกับท่านอันนี้มันเป็นเรื่องของอนิสงค์ของผลบุญ นั้นถ้าเราอยู่ในขั้นทาทานก็ทำไปทำแต่ควรจะรู้ว่าเราต้องทำขั้นอื่นด้วยทำทานแล้วรักษาศีลด้วยรักษาศีนแล้วก็ภาวนาด้วยมันก็จะได้ครบเหมือนกับอาหารถ้ากินอาหารก็ได้ครบสะได้ครบสี่มูบุญก็มีสี่มูบากกา่บุญจากการทำทานบุญจากการรักษาศีน บุญจากการสมถะาภาวนาบุญจากวิปัสสนาภาวนามันก็มีสี่บุญซึ่งเป็นเหมือนอาหารของใจก็ต้องทำให้มันครบมันถึงจะได้ได้ประโยชน์เต็มร้อยถ้าทำเพียงแต่บุญทรามทานอย่างเดียวก็ได้หนึ่งในสี่พะภาวนากับวิปัสสนาไม่ต่างนะภาวนามีสองขั้นไงสมถะากับวิปัสสนาภาวนาแยกกัน ขั้นแรกทำนั่งสมาธิเรียกว่าสมถะภาวนาแล้วขั้นที่สองคือจเจริญปัญญาเรียกว่าวิปัสนาภาวนาก็เลยเป็นสีเป็นสี่ขั้นด้วยกันทานศีลสมาธิและปัญญาสี่ขั้นก็เหมือนอาหารสี่กลุ่มพอดีอาจารย์คะแ้ว<ฮ> ก, การแผ่เมตตาคะถือว่าเป็นการทําบุญไหมคะการแผ่เมตตา น, นี้ก็เป็นการอา แสดงความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมันก็เป็นเป็นเป็นบุญแบบหนึ่งแต่มันก็มันก็ไม่ได้เป็นบุญที่ที่ที่เราพูดถึงกันความจริงการการทาทานนี่ก็เป็นการแผ่เมตตาเรามีความเมตตาเราถึงเราถึงเอาเงินไปให้เขาถ้าเราเกลียดเขาโกรธเขาเราคงไม่เอาเงินไปให้เขาหรอกนะ อย่างเช่นว่าเวลาที่เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปไปแสตซายาแต่ขณดเดียวกันเราเรามีการเจริญสติมีการนั่งสมาธิและขณะที่เราทําเสร็จแล้วเรามีการแผ่เมตตาทุกวันทุกวันไม่ได้หรอกอันนั้นเวลาแผ่นั้นเป็นการทําการบ้าน<ม>เวลาแผ่เมตตาต้องมีคนรับเมตตาของเรา<ม>ต้องแผ่ตอนที่เจอกันเนี่ยเช่อนอ่าจะน่าจาะจะยิ้มให้เขามีขนมก็แบ่งกันกินอย่างเงี้ย ญาติโยมนำข้าวของมาถวายพระนี่แผ่เมตตาแล้วมีความปรารถนาดีเอาของขวัญมาให้เอาของใช้ไม้สอยมาให้เพื่อนฝูงมีวันเกิดเราก็ซื้อของขวัญไปให้เขาเรียกว่าแผ่เมตตาแต่เวลาที่เรานั่งสมาธิเสร็จแล้วเราสวดนี่เป็นการเตือนใจสอนใจว่าเราต้องมีใจที่เมตตาพระเมตตามีอยู่สี่ลักษณะอาเวลาโหดตุก็ อ, อย่าจองเวรจองกรรมกัน กายก็ทําให้เราโกรธเกลียดเราอย่าไปอาฆาตพยาบาทให้อภัยอับยาปชาโหนตุอย่าเบียดเบียนกันบางทีเราทํางานแข่งขันกันก็อาจจะเบียดเบียนกันแย้งกันได้ขัดแข้งขัด ข, ดขากันอันนี้ไม่ควรทำํำสุขีอัาตานั낭ปริหัดรันตุมีความปรารถนาให้เขามีความสุขอณิคาหหนตุมีความปรารถนาให้เขาไม่มีความทุกข์กายทุกใจนี่คือคุณสมบัติของผู้ที่มีความเมตตา มีอยู่สี่ข้อนี้เราทำได้ไหมเป็นสี่ข้อนี้เวลาที่เราไปเจอคนเวลาใครก็ด่าเราแล้ว เ, เอาเวลาโหนตุจองอย่ามีเวรมีกรรมกันนะ เ, เ, เ, <c oughs> เวลาเข้ามาแย่งแผนเราก็เอาเวลาโหนตุ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเวลาแผนเมตตาต้องแผลตอนนั้นเราต้องต้องซ้อมเลยก่อนไงต้องนึกถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เรากโกรธเราถามตัวเราวเรากโกรธแล้วเราให้อภัยได้หรือเปล่า ถ้ากดมันเลยเห็นกะฟังรุ่มร้อนเพราะเราไม่ทําการบ้านไงเราสวดแบบนกแก้วเราต้องทําการบ้านแตเวลาเอาเวลาทำตุ่นเราต้องนึกนึกถึงเหตุการณ์ที่จะทําให้เราต้องให้อภัยเราให้อภัยได้หรือเปล่าถ้าเราให้ไม่ได้ก็แสดงว่าเราแผลไม่ออกเอาเรื่องคนที่มีโทสะมากๆนะคะก็นั่นแหละก็ต้องผ่านแผลไม่ตาเยอะๆผ่านให้อภัยอยู่เยอะๆนึกอยู่บ่อยๆนึกอยู่ว่า วิธีแก้ความโทสะก็คือหนึ่งเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะดีเขาจะชั่วกับเรานี่เราไปห้ามเขาไม่ได้สองต้นเหตุของโทสะของเราก็คือความอยากของเราอยากให้เขาดีกับเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่ดีเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นเราก็โกรธแล้วเราต้องมาแก้ที่ตัวเราแก้ที่ความอยากต่อไปนี้เราอยากไปอยากให้เขาดีอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แล้วเวลาเขาไม่ดีเราก็จะไม่เสียใจเราก็จะไม่โกรธเราอยากเราเป็นคนขี้บ่นนะคะขี้บ่นแล้วก็ต้องหัดหุบปากก็มึงก็เหมือนกันที่ขี้บ่นก็เพราะว่าไม่พอใจออยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นก็บ่นนี่ก็แสดงว่าไม่มีสติอหัดพุทโธพุทโธไว้พอจะเริ่มบุนก็พุทโธพุทโธไปในใจไม่เป็นในใจไอ พอไม่ได้ดังใจก็บน่นยังจะบอกก็ได้ครับว่าจะคือถ้ามีความจําเป็นต้องบอกก็บอกกันได้เพราะคนเราบางทีอยู่ด้วยกันบางาทีก็ทําอะไรแล้วเขาไม่รู้ว่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็บอกได้แต่บอกแล้วก็จบอย่าไปบอกซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกระทั่งเขาลขาคาลแล้วแทนที่จะไปห้ามก็ไปยุเขายิ่งห้ามยิ่งยุเข็นะไหมถ้าห้ามคนเดียวพอ อขาห้ามแล้วเขายังทําต่อก็แสดงว่าเขาไม่ฟังเราแล้วพูดไปก็ยิ่งไปยุ่วเขากเปล่าๆยังก็ต้องทําใจว่าเลือกคนผิดละไปอยู่กับเขาอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับพุทโธดีกว่าสบายใจไม่มีเรื่องราวไม่มีปัญหากับใครว่าไงต่อได้ยังได้นะครับคาถามจะคุณใจดีนะครับแม่ผมอายุสามสิบ แม่ยมุอายุาย82ตั้งใจสวดอิติปิโสให้ครบ 84,000 จบภายในปีนี้ซึ่งตอนนี้ได้ 80,000 กว่าแล้วอยากถามพระอาจารย์ว่าการสวดมนต์จะช่วยให้ได้บา ร, รมีได้บุญได้ขึ้นสวรรค์หรือไม่หรือได้เพียงแค่สมาธิใจสงบแล้วต้องกลับมาพิจารณากายเพื่อมุ่งสู่ความว่างสู่พระนิพพานครับคือความสงบของใจนี้ก็เป็นสวรรค์ชั้นพรหมแล้วสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพ สูงกว่าสวรรค์ที่ไดจากการทําบุญทําทานถ้าสวดมนต์ได้ทําใจให้สงบได้นี่ไปสูงกว่าการทําบุญทําทานทําบุญทําทานนี่ได้สวรรค์ชั้นเทพที่ต่ำกว่าสวรรค์ชั้นพรหมเพราะความสุขมันต่างกันไงความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานรักษาศีลนี้จะส่งให้เราไปอยู่ชั้นเทพแต่การทําความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลแล้วทาใจให้สงบนี่จะส่งให้เราไปอยู่ชั้นพรหมต่ต้องเป็นศีลแปด แถ้าเทวดานี่สินห<ม>้ากับ<ม>กับการทำบุญถ้าพมนี้ต้องสินแแล้วก็ทำใจให้สงบสวดมนต์สวดอิติปิโสไป8ปด0มสี่พันครั้งเนี่ยจิตมันก็จะนิ่งจิตก็มันก็จะสงบไม่ฟุ้งซ่านแต่จะไปได้นานแล้วไม่นานก็อยู่กำลังของของการสวดของเราถ้ามีกำลังน้อยก็ไปอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็เสื่อมลงมา ถ้ามีกําลังมากก็จะอยู่ได้นานแต่จะนานหรือไม่นานก็ต้องเสื่อมลงมาเพราะว่ามันเป็นสวรรค์ชั่วคราวถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นถาวรไม่เสื่อมก็ต้องไปสวรรค์ของพระอริยะเจ้าชั้นนั้นต้องใช้ปัญญาละใช้วิปัสสนาต้องมาตัดความอยากต่างๆตัวอยากนี่ยมันทําให้ใจเราเสื่อมจพอไม่มีความอยากใจก็จะไม่เสื่อมเสื่อมก็คือควา ม, วามสงบนี่ไง พอมีความอยากความสงบก็จะหายไปถ้าไม่มีความอยากความสงบก็จะอยู่ไปเรื่อยๆพระรยาเจ้าท่านถึงไม่เสื่อมตัดความอยากตดยที่จะทำให้ใจเสื่อมไม่เสื่อมพอเป็นโสดาบันแล้วก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นปุถุชนไม่มาเป็นพรหมไม่มาเป็นเทพแล้วเป็นโสดาบันพอเป็นสกิดาคามีก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นโสดาพอเป็นอนาคามีก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นพอเป็นอาหันก็ไม่เสื่อม อันนี้เพราะปัญญาเป็นตัวตัวกำจัดตัวเสื่อมเนยตัวเสื่อมก็คือตัวตันหาความอยากต่างๆต้องตัดด้วยปัญญาสมาธิเพลงตักขดมันไว้เหมือนหินทับหญ้าหญ้าถูกหินทับมันไม่ตายหรอกพอยกหินออกเดียวมันก็งอกขึ้นมาใหม่เพราะรากมันยังมีอยู่ในดินตันหาความอยากนี้มันไม่ตายด้วยสติพุทโธหรอกมันต้องตายด้วยปัญญาเพราะรากของตันหาก็คือความหน หลงคิดว่าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วจะได้ความสุขแต่ปัญญาจะจะสอนว่าได้ความทุกข์ไม่ใช่ได้ความสุขอย่างที่เรามานั่งบ่นกันทุกวันนี้ก็เพราะเราคิดว่าสิ่งที่เราได้มาจะให้ความสุขพอได้มาแล้วทําไมต้องมาบ่นกับเขาอะเพราะเราเป็นหลงคิดว่าเขาให้ความสุขถ้าเรามีปัญญาแล้วก็จะไม่หลงแล้วเราก็จะไม่เกิดความอยากก็สแสดงว่าเราถอนรากถอนโคนของความอยาก ลาคนของความอยากก็คือความหลงความไม่รู้ว่านิจังทุกขังอนัตตาพอเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไม่อยากได้อะไรจิตก็จะไม่เสื่อมลงมาอยู่ขั้นไหนก็อยู่ขั้นนั้นไปมีแต่จะขึ้นไปเรื่อยๆปฏิบัติเพิ่มมากตัดความอยากได้เพิ่มมากขึ้นก็จะขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่มีความอยากหรืออยู่เลยก็ถึงขั้นสูงสุดขั้นของพระอรหันต์ต้องใช้ปัญญา สมาธิสตินี่อตัดทอนยากไม่ได้ตัดทุกอย่างทุกอย่างก็ยังอยู่เพียงแต่ไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากกับมันแต่เวลาใช้มันก็ใช้ได้อย่างผ้าก็ยังกินได้พระรองอมมีสมุนรีรท่านก็สูบได้แต่ถ้าไม่ได้อยากสูบมีให้สูบก็สูบไม่มีสูบก็ไม่สูบไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่สูบมากสูบพอหอมปากหอมคอสูบเล่นๆเหมือนเคี้ยวหมกเคี้ยวหมากั่านก็เคี้ยวไปพอหอมปากหอมคอไปย เวลาไม่มีเคียวท่านก็ไม่เดือดรนาะไม่ไปหามันไม่ได้มีความอยากคนไม่เข้าใจคิดว่าทําไมผ้าหนันยังสูบบุหรี่ทาไมยังเคี่ียมอ่ะวินัยก็ไม่ห้ามออหมากพลูนี่ไม่ได้ห้ามสมัยโบราณเขาถือเป็นธรรมเนี่ยเวลาผ้าไปสูดนิมนต์ไปบ้านต้องมีหมากมีพลูถวายมีบุหลงบุหรี่เพียงแต่ว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้สูบแบบคนสมัยนี้ สู่แบบความอยากนี่สู่วันละสามสองแต่ก็สู่แบบพอหอมปากหอมคอวันลมวนสองมวนนี่มันไม่เหมือนกันนะยัยนะยี่ปอยคนก็สูบบุญเดียวก็หาว่าอยากละไม่รู้เรื่องอถ้ากินกาแฟวันละแก้วไม่เป็นไรเนาะมันเล่นกินวันละสี่ห้าแก้วแล้วเวลาไม่กินก็เครียดเนี่งมันแสดงว่าติดแต่ถ้ากินแบบไม่ติดมีกินก็กิน เวลาไม่มีกินก็เฉยไม่เดือดร้อนอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหายังกินได้อยู่คนที่มีไม่มีความอยากยังกินยังดูอะไรได้อยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้ติดมันเวลาไม่ได้กินไม่ได้ดูไม่เดือดร้อนแต่เราจะรู้รึเปล่าวิธีที่ว่าเราติดไม่ติดก็ต้องเลิกมันไปก่อนไม่ใช่บอกกินอยู่เรื่อยบอกกูเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้ยังก็หลอกตัวเองถ้าเลิกได้ก็เลิกเสียเลยเลิกมันสักสิปีแล้วให้กลับมากินดูเนี่อ อถ้าเลิกเกลี่ยไฟสักสิปีแล้วกลับมากินแก้วหนึ่งมันไม่ติดหรอกใช่ไหมที่ยังไม่ทันเลิกเลยบอกโอ้ยฉันจะเลิ ก, กเมื่อไหร่ก็เลิกได้แต่ไม่เลิกสักทีเพอพอกาแฟหมดก็วิ่งหา ก, กาแฟวุ่นไปหมดเลยมีคาเฟอีนะติ ด, ตดมันไม่มีก็ติดดูหนังก็ยังติดเลยเที่ยวก็ยังติดพอมันทําอะไรด้วยตันหาความอยากแล้วมันจะติดหมดพอมันติดความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวจากสิ่งเหล่านี้ อ้าพอดีหมดเวลาแล้วมีอีกไหมพอแล้วเนะีหมดแล้วครับอาจารย์แต่มีคนถามข้อนึ่งเขาอ่ า, อาพระเล่นหวยกับพระใบหวย ผ, <c oughs> ผ, ผิดไหมครับพระไมาเนี่ยมาหาเงินหาทองพระให้มาหาธรรมะการไปเล่นหวยนี่มันแม้แต่คารวะก็ไม่ควรทําอยู่แล้วแล้วมาเป็นพระมาทํามันก็ยิ่งยิ่งยิ่งแย่ใหญ่ให้หวยให้หวยหรืออะไรนี่ก็ผิดพระมีหน้าที่ให้ธรรมะให้คําสอนของพระเจ้า ให้ของดีของที่มีคุณมีประโยชน์ให้หวยนี้เป็นการให้ของปองของไม่ดีให้ไปแล้วไม่ไม่ถูกก็เจ่งใช่ไหมเข้าข่ายประราชิกมครับอาจารย์ไม่ไม่หรยัไม่ใช่ใช่ไมไม่หรอกไม่เกี่ยวกันโอเคนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิกี่ค น, ค, น ค, นคนรู้สองร้าบกสอห้าสิบแปดขนาดตัดไปตัดมาให้ให้ให้ให้ห ว, วยทุกวันไม่รู้รู้เปล่าเไหร่นะะค